มัสการมหาเถระครับจเจริญพรทุกท่านวันนี้เช้าๆช้าพวกเราอุตส่าห์ตื่นมาฟังธรรมขออนุโมทนาด้วยแต่หน้านี้ก็ยังตื่นง่ายนะถ้าหน้าหนาวจะอนุโมทนามากกว่านี้มันต้องต่อสู้กับความขี้เกียจเวลานี้เป็นเวลา ที่เราสำรวมนะสำรวมใจมาฟังธรรมะบางคนก็ได้ฟังบ่อยบางคนไม่เคยฟังหลวงพ่อเทศเลยก็มีแต่เดี๋ยวนี้ไปเทศที่ต่างๆก็พบว่าคนที่ไม่เคยเจอหลวงพ่อนะแค่ฟังซีดีพอนาเป็นเนียเยอะแยะไปหมดเลยไี้เรื่องที่จิต เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาเป็นเรื่องพื้นๆไปเลยเมื่อก่อนหายากนะสามสิบปีสี่สิบปีก่อนนะส่วนใหญ่เราปฏิบัติทมเราก็จะทำสมาธิจิตนิ่งๆทีก็นั่งกันเคลิบเลิ่มขาดสติไปหลังๆภาวนากันเข้าท่าขึ้นไม่ขาดสติ ครูบาจาร์สอนหลวงพ่อมานะว่าสติจําำเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อขาดสตินะก็ขาดหมดแล้วศีลสมาธิปัญญาไม่มีอะไรเหลือหรอกมีสติก็มีโอกาสจะเกิดศีลเกิดสมาธิเกิดปัญญาขึ้นได้เรืเ่องสติเป็นเรื่องใหญ่เป็นธรรมมีอุปการะมากพวกเราต้องพยายามพัฒนาสติขึ้นมาเป็นเครื่องมือพื้นฐาน แลต่อไปเราก็ต้องพัฒนาสมาธิให้ถูกต้องแล้วก็หัดเจริญปัญญาให้ถูกต้องสติสมาธิปัญญาของเราถูกต้องแก่กล้าขึ้นอริยมรรคก็จะเกิดขึ้นเองไม่มีใครสั่งจิตให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้จิตจะบรรลุของจิตเองอยู่ที่เราได้เจริญธรรมะมากพอหรือเปล่า งั้เวลานี้เป็นเวลามาฟังฟังแล้วต้องออาไปทำฟังเล่นๆไม่ได้ประโยชน์อะไรเสียแรงที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้กว่าจะตรัสรู้ได้นะยากลำบากมากพวกเราสบายท่านตรัสรู้ท่านค้นคว้ามาท่านอามาสอนเราก็แค่เดินตามแต่ต้องดูอะไรที่ท่านห้ามเราก็อยา่าทาอะไรที่ท่านให้ทำเราก็ขยันทำหน่อยค่อยๆฝึกไป ท่นห้ามไม่ให้ทําชั่วทางกายทางวาจาทางใจเนี่ยให้พัฒนาจิตใจขึจ้นมาจนกระทั่งบัรชนะความชั่วทางกายทางวาจาเนี่ยเราต้องรักษาศีลไว้ก่อนศีลจําเป็นมากเลยทุกวันนี้คนไม่ถือศีลบางทีก็พยายามถ่ายทอดอาัตธรรมไม่ใช่ธรรมะถ่ายทอดอาสตธรรมอย่างสอน ออกมาเผยแพร่ออกมาบ อ, อกขอรับชั่นก็ได้นะให้มีผลงานอะไรอย่างี้ถ้าทำอย่างนั้นบ้านเมืองก็าหายนะสุดท้ายไม่มีใครมีความสุขอยู่ได้สักคนหนึ่งในพวกเราต้องมีศีลตั้งใจศีลห้าข้อก็พอแล้วสำหรับการปฏิบัติพระโสดาพระสกทาคาอะไรนี่แค่ศีลห้าก็ทำได้ถ้อยากได้พระนักคาได้สกทาคาแล้วนะ่ ควรจะถือสีน8ปดถ้าไม่ถือสีนแปดเนี้ยโอกาสทำให้ได้พานาคาทำยากเพราะว่าถ้าเรายัางหมกมุ่นเพลิดเพลินในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสอยู่หนงในการมาคุณอารมณ์อยู่ใจมันก็เหมือนต้นไม้ส ด, สดแช่น้ำเอามาจุดไฟไม่ติดแล้วลใจที่ห่างจากกรรมเหมือนไม้แห้ง อย่างเป็นพระเงียพระก็พลิวพลระจันเหมือนต้นไม้อยู่บนบกทีแรกก็เป็นต้นไม้สดๆนะอยู่ไปอยู่ไปก็ค่อยเป็นต้นไม้แห้งนะติดไฟง่ายแล้วเราตั้งหัวตั้งใจถือศีลไยศีลห้าข้อนั่นแหละทุกคนรู้จักอยู่แล้วนะว่าเป็นยังไงไม่ต้องให้บอกไม่ต้องมาอารัธนาอะไรเสียเวลาให้ตั้งใจเอาเอง ตื่นนอนขึ้นมาก็ตั้งใจรักษาศีลห้าก่อนจะกินข้าวเช้าก่อนจะกินข้าวกลางวันก่อนจะกินข้าวเย็นตั้งใจรักษาศีลห้าบอกตัวเองว่าเราจะมีศีลห้าก่อนจะนอนก็ตั้งใจไว้ด้วยเอาให้ได้วันหนึ่งห้ารอบศา ส, สนาอื่นนะเขาคิดถึงพระเจ้าวันละห้าครั้งเขายังทาได้เลยชาวพูดธจะไหว้พระสักครั้งทำไม่ได้มันก็น่าเกลียดนะ นี่เราเอาให้ได้5้ารอบเลยคิดถึงพระพุทธพระธรรมประสงค์แล้วตั้งใจว่าเราจะรักษาศีลห้าบอกตัวเองทุกวันทุกวันวันละหลายๆรอบเวลาใจมันอยากทำผิดศีลมันจะได้ละอายกระจตัวเองบ้างการถือศีลเบื้องต้นก็ตั้งใจรักษาไว้ก่อนมีเจตนางดม้นการทำบาปอาคุลทางกายทางวาจาต่อไปเราพัฒนาสติขึ้นมาเองเครื่องมือศีลของเราจะบริบูรณ์ขึ้น การพัฒนาสติสติเป็นสภาวธรรมนีที่มีลักษณะเป็นธรรมชาติที่ไปรู้ทันเป็นตัวที่รู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นรูปธรรมใดเกิดขึ้นสติรู้ทันนมามธรรมใดเกิดขึ้นสติรู้ทันถ้าพูดแบบปริยัติเข้าบอกว่ามันเป็นตัวรู้ทันสภาวธรรมที่เป็นกุศลแต่สําหรับนักปฏิบัติเนี่ย ที่เราเน้นกันในสติไม่ธรรมดาเนี่ยสติปัฏฐานสติปัฏฐานเป็นสติที่ระลึกรู้กายรู้ใจตัวเองงั้นถ้าเมื่อไหร่เราลืมกายเมื่อไหร่เราลืมใจก็เรียกว่าขาดสตินะในความหมายของหลวงพ่ออาจจะมีสติอย่างอื่นสติอย่างโลกโกได้แต่มันขาดสติปัฏฐานระลึกรู้กายระลึกรู้ใจไม่ได้มีกายลืมกายมีใจลืมใจนี่ทำไงสติจะเกิด เราสั่งสติให้เกิดไม่ได้สติเป็นอนาัตตานะสั่งให้เกิดไม่ได้แต่เราทําเหตุของสติได้เหตุที่ทําให้สติเกิดนะคือการที่จิตจําสภาวะได้แม่นอย่างจิตมันจําได้อย่างบางคนคิดโมโหไอ้คิดโมโหเราก็หัดรู้ทันใจของตัวเองใจโกรธขึ้นมาก็รู้ใจโกรธขึ้นมาก็รู้หัดรู้บ่อยๆต่อไปเวลาความโกรธมันเกิดขึ้นนะไม่เจตนาจะรู้มันรู้ได้เองตัวนี้แหละเรียกว่าสติมันเกิดละ จิตจำสภาวะแม่นพอสภาวะอันนั้นมานะสติก็ระลึกขึ้นได้ว่าสภาวะอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วงั้นอยู่ๆสติไม่เกิดต้องหัดรู้สภาวะบ่อยๆพระพุทธเจ้าสอนเรื่องสติปัฏฐานให้พวกเราถ้าเราอยากให้สติของเราเข้มแข็งเราก็ต้องเจริญสติปัฏฐานหัดรู้กายหัดรู้เวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์หัดรู้จิตใจของตนเองที่เป็นกุศลอกุศลหัดรู้สภาวะธรรมทั้งกุศลทั้งอกุศลนะ ทั้งดีทั้งชั่วทั้งสุขทั้งทุกข์เนี่ยทั้งรูปธรรม ท, ทั้งนามธรรมเพราะนั้นส่วนของธรรมานุปัสสนาจะกว้างขวางถ้าหัดเอาอย่างง่ายๆก็คือดูกายกับดูจิตเป็นกรรมฐานที่ง่ายๆเวทนากับธรรมานุปัสสนาเนี่ยเป็นกรรมฐานที่ทํายากขึ้นไปต้อมีสติปัญญามีสมาธิอะไรให้ดีถึงจะทําได้ดีงั้นอย่างในเบื้องต้นเราหัดรู้สึก เช่นเราหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวยืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวรู้สึกไปสบายๆบนย้อหายใจเข้าหายใจออกนัรู้สึกไปเรยเนี่ยขนาดนี้เราหายใจออกหรือหายใจเข้าก็รู้สึกเนาะการที่เราคอยรู้สึกร่างกายหายใจออกหายใจเข้าเรารู้สึกเรื่อยๆต่อไปเวลาเราเกิดกิเลสเราขาดสติขึ้นมาเช่นเราโกรธขึ้นมาเนี่ยพอโกรธขึ้นมาปุ๊บหรือเราโลภขึ้นมาปุ๊บเนี่ย ลมหายใจมันจะเปลี่ยนจังหวะเคยหายใจสบายๆมันจะหายใจแรงขึ้นมาลมหายใจเปลี่ยนจังหวะนี้เดียวสติีมจ ะ, ะระลึกได้เลยจ ะ, ะระลึกขึ้นมาได้โดยอัตโนมัติขึ้นมาหรือเราหัดลมหายใจเราไม่ชอบเราก็มาหัดรู้สึกร่างกายนั่งอยู่ก็รู้ร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนอนคอยรู้สึกอยู่รู้สึกในอิทธิยาบทใหญ่ต่อไปพอร่างกายมัน มันจะเผลอตัวเองนะพอร่างกายขยับตัวปุ๊บเนี่ยมันจะรู้สึกขึ้นมาเองเลยไม่ได้เจตนารู้สึกนิสติตัวจริงมันเกิดหรือบางคนรู้สึกว่าอิริยาบถสี่ก็ยังหยาบไปไม่เหมาะกับตัวเราอยากรู้ละเอียดมากกว่านั้นอีกมันมีกรรมฐานที่ละเอียดขึ้นไปในหมวดกายคือสัมปชัญญะบัพเพาร่านงะกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกอย่างเวลาเรานั่งอยู่เนี่ยมันอยู่ในอิริยาบถใหญ่ของการนั่ง แต่เรานั่งเนี่ยสังเกตไหมเราไม่ได้นั่งนิ่งๆเรานั่งไปกระดุกกระดิกไปนะขยับไปขยับมาเวลามันเมื่อยนะหรือฟังหลวงพอ่อเข้าใจก็มีพยักหน้านะบางทีก็ยิ้มบางทีก็ขำอนะไรอย่างเงี้เนี่เราก็จะเห็นมีความรู้สึกอยู่ในร่างกายนะร่างกายกระดุกกระดิกก็รู้สึกร่างกายอยู่นิ่งก็รู้สึกร่างกายหัวเราะนะร่างกายร้องไห่ร่างกายอ้าปากนี่รู้สึกเร่อๆอในร่างกาย การที่เราคอยรู้สึกบ่อยๆต่อไปสติจะเกิดเองโดยที่เราไม่ได้เจตนาพอร่างกายขยับปุ๊บสติเกิดเลยทันทะีที่ทสติเกิดมันเหมือนเราเปิดสวิตช์ขึ้นภายในเราจะตื่นขึ้นมาใจมันจะตื่นตัวขึ้นมาหลุดออกจากโลกของความคิดความฝันมาอยู่ในโลกของความเป็นจริงได้นี่เราพยายามฝึกอย่างนี้นี่ถ้าเราหัดฝึกสติเนี่ยบางคนไม่ชอบดูรูปธรรมเราก็ดูนมามธรรมอย่างคนขี้มโมโห แล้วก็เวลาโกรธขึ้นมาหรือเวลาขัดใจขึ้นมาเนี่ยเรารู้ทันว่ามันโกรธแล้วมันขัดใจแล้วไม่ห้ามอยากโกรธก็ได้อยากขัดใจก็ได้ไม่ห้ามแต่โกรธขึ้นมาแล้วรู้ว่าโกรธขัดใจแล้วรู้ว่าขัดใจเนี่ยต่อไปเวลามันโกรธขึ้นมามันจะรู้ได้โดยไม่ได้เจตนาจะรู้อย่างนี้เรียกว่าสติมันเกิดคนไหนขี้โลภเจออะไรก็อยากได้หมดเลยเจอเมียชาวบ้านก็อยากได้เจอใครๆก็อยากได้เจอของก็อยากได้นะ ให้คอยรู้ทันจิตที่โลภเมื่อจิตมันโลภขึ้นมาจิตมันอยากขึ้นมาบางทีก็ไม่มีอยากของนะบทีก็อยากคุยเป็นไม่บางทีอยากคุยอยากพูดอยากถามนี่ยพวกส่งกันบ้านบางทีก็อยากถามถ้าเวลาอยากขึ้นมาให้รู้ว่าอยากรู้ทันใจตัวเองถ้าเรารู้ทันบ่อยๆนะต่อไปเวลามันเผลอๆแล้วเกิดอยากอะไรขึ้นมาเนี่ยสตรีมจะเกิดเองมันจะรู้ว่าอยากขึ้นมาอีกแล้วเนี่หัดอย่างนี้นะต้องหัดนะ พระเจ้าสอนสติปัฏฐานก็เพื่อให้พวกเราทําไม่ใช่สอนมาฟังเล่นๆถ้าเราหัดไปเรื่อยๆแล้สติของเราจะดีอะไรเกิดขึ้นในร่างกายมันจะรู้สึกโดยไม่เจตนาจะรู้อะไรเกิดขึ้นในจิตใจมันจะรู้สึกโดยไม่เจตนานะแล้วต่อไปเราพอเราได้สติแล้วเนี่ยเราจะพัฒนาศีลสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปละการถือศีลถ้าเราใช้วิธีตั้งใจว่าจะไม่ทําผิดศีล โอกาสทําผิดศีลมันมีมากเพราะว่ามันเผลอนะโดยเฉพาะศีลข้อสี่เนี่ยเดี๋ยวก็ควักมือถือมากดไลน์โน้นไลน์นี้เฟซโน้นเฟซนี้นะถ้าเล่นโดยไม่จําเป็นน้องเล่นนก็คือคุยนั่นเองเรียกว่าฟุ้งซ่านนะเพรสเจอร์นะเพรสเจอร์ cher, นะ cher, แต่ไม่ออกเสียงเท่าั้เองเพรสเจอร์ cher, ด้วยมือด้วยนิ้วนะชีพมันเพรสเจอร์มันไม่มีสมาธิไม่มีอะไรอยู่กับเนื้อกับตัวหรอกเนี่ยถ้าเรามีสติเรารู้ทันนะ ใจมันอยากเล่นลายแล้วเรารู้ทันใจมันอยากทําอะไรเรารู้ทันหรือร่างกายเคลื่อนไหวเรารู้ทันโดยเฉพาะการรู้ทันใจของตัวเองจะทําให้ศีลสมาธิปัญญานี้พัฒนาได้อย่างรวดเร็วยังไงการรู้จิตรู้ใจนะจะทําให้ศีลสมาธิปัญญาพัฒนาเร็วอย่างเวลาที่กิเลสเกิดขึ้นในใจนีถ้าเรามีสติรู้ทันอย่างความโกรธเกิดขึ้นคนมาด่าเราหรือขับรถปาดหน้าเราโกรธ โกรธขึ้นมาเรามีสติรู้ว่ามันกําลังโกรธอยู่เนี่ย เ, เกิดความโกรธขึ้นแล้วทันทีที่รู้ความโกรธจะดับอัตโนมัติเพราะเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นจะไม่มีกิเลสนี่เป็นกฎของธรรมะนะอย่างบางคนบอกเอ๊ะโกรธไปรู้ไปโกรธไปรู้ไปอันนั้นไม่ยังไม่มีสติตัวจริงเนอกถ้ามีสติจริงๆนะมันรู้ว่าโกรธปุ๊บความโกลมจะดับกระเด็นหายไปต่อหน้าต่อตาเลยหรือความรอบเกิดขึ้นสติระลึกปุ๊บความรอบมันจะดับต่อหน้าต่อตาเลย ความฟุ้งซ่านกําลังเกิดนะพอรู้ทันว่าฟุ้งซ่านนะความตื่นก็เกิดขึ้นในฉับพลันไม่ฟุ้งซ่านนะใจมันตื่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นขึ้นมาเองเลยย้อนถ้าเรารู้หลักตรงนี้แล้วเนี่ยการรักษาศีลจะไม่ใช่เรื่องยากคนทําผิดศีลเนี่ยเพราะกิเลสครอบงําจิตความโลภครอบงําจิตก็ทําผิดศีลได้ทั้ง5ข้อความโกรธครอบงํำจิตก็ทําผิดศีลได้ทั้ง5้าข้อความหลงครอบงําจิตทําผิดศีลได้ทั้ง5้าข้อเลย อย่างโกรธขึ้นมาเนี่ยเขไปทําร้ายเขาก็ได้ไปแกล้งชิงทรัพย์เขาก็ได้ไปหลอกลูกหลอกเมีย เ, ยเขาก็ได้ไปใส่ร้ายเขาก็ได้ไปแกล้งชมเขาให้เสียคนไปเลยก็ได้เนี่ยทำผิดศีลได้หรือโทสะขึ้นใจคุณมัวไปกินเหล้าะแก้กลุ่มเนี่ยผิดศีลห้าได้ทั้งหมดเลยหรือความโลภเกิดขึ้นก็ผิดศีลห้าได้หมดความหลงเกิดขึ้นก็ผิดศีลห้าได้หมดถ้าเราคอยรู้ทันะโกรธขึ้นมาเรารู้โลภขึ้นมาเรารู้หลงขึ้นมาเรารู้ ลบโดดลงมันดับเมื่อมันดับแล้วมันทําผิดศีลไม่ได้ควรทําผิดศีลเพราะกิเลสมันครอบงำเอางั้นเราหัดรู้ทันใจของเรานี้แหละศีลมันจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติมันจะดีขึ้นดีขึ้นนะการรักษาศีลจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปอย่างเวลาใจไม่อยากพูดเนี่ยเรารู้ทันว่าใจอยากพูดแล้วพอเรารู้ทันอย่างนี้นะมันจะเหลือเหตุผลสมควรพูดเราก็พูดไม่สมควรพูดก็ไม่พูดถ้าสมควรพูดแล้วพูดเนี่ยไม่ใช่เรื่องมาพูดเพอเจอร์ เป็นการพูดที่เหมาะสมถ้าไม่สมควรพูดสติกเกิดแล้วมันก็ไม่พูดแม่ศีลมันก็เกิดไม่พูดเพเจ้อไม่พูดโกหกไม่พูดส่อเสียดไม่พูดความเท็จต่างๆงั้นเราหัดสังเกตใจของเราบ่อยๆนะไม่ใช่เรื่องยากอะไรทุกคนรู้จักอยู่แล้วความโกรธเป็นยังไงก็รู้ความโลภเป็นยังไงก็รู้ความหลงเป็นยังไงก็รู้ความเศร้ามองความหมดหู่ความดีใจเสียใจ เนี่ยสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาเรารู้ไปเรื่อยๆนะแล้วศีลจะดีขึ้นนี่ต่อไปเราจะพัฒนาสมาธิให้เกิดขึ้นเรื่องของสมาธิเป็นเรื่องใหญ่มากนะสมัยก่อนเนี้ยคนทั้งหลายทําสมาธิที่ฝึกกันเกือบร้อยลร้อยนียฝึกมิจฉาสมาธิสมาธิมี2ค่ายใหญ่ๆ2กลุ่มใหญ่ๆอันหนึ่งคือสัมมาสมาธิอันนึงคือมิจฉาสมาธิสมาธิใดไม่ประกอบด้วยสติเนี่ยเป็นมิจฉาสมาธิแน่นอน สมาธิที่จะเป็นสัมมาสมาธิต้องมีสติกำกับเสมอนะถ้าขาดสติเมื่อไหร่ก็เป็นมิจฉาสมาธิอย่างนั่งสมาธิไปนะใจเคลอบเคลิล้มขาดสติลืมเนื้อลื ม, ลมตัวงอกแงะงอกแงะนั้นวิชฉาสมาธิหรือนั่งสมาธิแล้วใจฟุ้งซ่านเที่ยวเห็นโน่นเห็นนี่เห็นผีเห็นเทวดาเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นอดีตเห็นอน า, นาคตนั้นใจมันฟุ้งซ่านไปนะขาดสติ เวลาเพจเวลาทำสมาธิต้องทำอย่างมีสติอย่าให้ลืมตัวเองหลักของการทำสมาธินะสมาธิที่ถูกต้องแยกได้อีก2ชนิดชนิดที่1นึ่ทำไปเพื่อความสงบเพื่อความสุขชนิดที่2องทำไปเพื่อให้จิตตั้งมั่นพร้อมที่จะเจริญปัญญาดังนะัสมาธิที่ถูกยังมีสองข้ายส อ, สองกลุ่มสมาธิที่ถูกมี2 อ, อันแต่ทั้ง2องอันก็มีสติทั้งคู่ สมาธิอย่างแรกสมาธิที่จิตสงบอยู่ในอารมณ์มเดียวจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งเห็ น, นที่หลวงพ่อหัดตอนเด็กๆท่านพ่อฤๅวัลสุครามสอนให้ทำอนามพนสติหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับสองตอนเด็กๆหัดอย่างนี้หายใจเข้าพูดหายใจออกโทแล้วก็นับไปเรื่อยๆแต่มาพอจิตมาเริ่มสงบนะจิตมันไม่หนีไปที่อื่นไอ้ตัวการนับมันก็หายไป เพราะว่าการนับกลายเป็นส่วนเกินก็าภาวนาไปเรื่อยธรรมนาพนสติไปเรื่อยพุโทโธก็หายผปอีกเนะหลือแต่ลมหายใจเพราะพุโทโธกลายเป็นส่วนเกินไปแล้วภาวนาไปเรื่อยลมหายใจก็หายไปอีกเนะหลือแต่ใจอันเดียวนะค่อยๆฝึกไปถ้าฝึกจนกระทั่งใจมันเหลือความรู้สึกตัวอยู่นะมันตัดความรับรู้ความวุ่นวายความแสบสายไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันสงบอยู่ในใจอันเดียว อนนี้เราได้สมาธิเต็มรูปแบบของการทําสมาธิชนิดแรกนะเรียกว่าอารามณุปนิชฌานจิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวแล้วก็สงบอยู่กับแสงสว่างสงบอยู่กับความว่างอะไรเงี้ยไม่หนีไปที่อื่นบางคนทำรู้รู้สึกว่าทําสมาธิอย่างนี้ก็ยาก ท, ยาทํำยังไงจิตก็ไม่ยอมสงบสักทีอย่างนหน้าตาพวกเราเนี่ยทาสมาธิชนิดสงบยากวันวันหนึ่งมีแต่เรื่องฟุ้งซ่านเต็มไปหมดเลย อย่างจะมาสวรณภูมิต่างเกลียนไหมข้างทางนี่มีป้ายอะไรเยอะแยะเลยแต่ละป้ายก็น่าดูนะน่าสนใจดูป้ายนี้ก็เกิดโลภดูป้ายนี้ก็โลภดูป้ายนั่นก็โลภอยากได้ไปหมดเลยนะอยากไปเที่ยวอยากกินอยากซื้ออะไรแนตะ่ใจป็นฟุ้งซ่านตลอดเวลานะเพราะว่าผัสสะมันรุนแรงเดี๋ยวก็เข้ามาทางตาเดี๋ยวก็เข้าทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายนะทางใจหมุนติ้วติว ต, ติใจก็เลยฟุ้งซ่าน ทำความสงบลำบากถ้าทำความสงบลำบากก็ทำนิดหน่อยพอไม่ต้องทำถึงเข้าฌานหรอกนะไหว้พระส่วนมนต์บ้างนะทุกวันต้องไหว้พระต้องสวดมนต์บ้างไม่ต้องสวดยาวหรอกนะเอานิดนิ ด, นดหน่อยๆก็ได้ถ้าสวดยาวไม่เป็นก็ไม่เป็นไรสวดอรหังสัมมานะโมตัสสะอะไรเขาว่าไปหรือจะสวดยาวไม่เป็นนะโมตัสสะก็ยังไม่เป็นนะสวดพุทธโธธรรมโมสังโฆก็ได้แต่สวดไปเรื่อย นะพุโทโธธรมโมสังโฆพุโทโธธรมโมสังโฆอย่างนี้ก็ได้หรือพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปก็ได้แค่นี้ก็สวมดมนต์แล้วพอสวดมนต์นแล้วเราค่อยรู้ทันใจของตัวเองไหมใจมันก็ค่อยๆสบายอย่าไปบังคับมันให้สงบเคล็ดลับของการทําฝึกให้จิตสงบนะเคล็ดลับอยู่ที่ความสบายถ้าเราได้ทํากรรมฐานที่เวลาจิตเราไปรู้แล้วมีความสุขเนะี่ยจิตมันจะมีความสุขอยู่กับอารมณ์กรรมฐานมันจะไม่วิ่งซ่านไปหาอารมณ์อื่น ทุกวันนี้ที่จิตมันฟุ้งซ่านเพราะว่ามันหาความสุขไม่ได้มันก็วิ่งไปดูหวังว่าจะมีความสุขวิ่งไปฟังวิ่งไปดมกลิน่นวิ่งไปริมรสวิ่งไปรู้สัมผัสทางกายวิ่งไปคิดนึกทางใจหวังว่าจะมีความสุขแล้วมันไม่เต็มมันไม่อิ่มมันก็วิ่งต่อไปอีกถ้าเรารู้หลักอันนี้แล้วเราก็มาหาอารมณ์นะมาดูตัวเองว่าเราถนัดอารมณ์อะไรเช่นเราอยู่กับพุทโธแล้วเรามีความสุขเราก็อยู่กับพุทโธไป เราอยู่กับลมหายใจแล้วมีความสุขเราก็อยู่กับลมหายใจไปเราดูท้องพองยุบมีความสุขเราก็ดูท้องพองยุบดูสบายๆดูเล่นๆบริกรรมก็บริกรรมเล่นๆทําสบายๆเคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้แหละถ้าเราน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขนะพอจิตมันมีความสุขแล้วเนี่ยจิตมันอิ่มอยู่ในตัวเองมันจะไม่วิ่งซ่านไปหาอารมณ์ตัวอื่นนะมันจะมีความสุขจิตจะสงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวอย่างหลวงพ่อฝึกมาแต่เด็กเนี่ยฝึกหายใจนะ หายใจแล้วมีความสุขหายใจปุ๊บจิตก็สงบสบายไม่วิ่งสุกสนไปที่อื่นละนั่นเราต้องดูตัวเองไม่มีกรรมฐานสําเร็จรูปที่ว่าดีที่สุดนะสังเกตไหมว่าเรียนกับหลวงพ่อนะั้นไม่เคยได้ยินคําตอบว่ากรรมฐานอะไรดีที่สุดเพราะไม่มีกรรมฐานนั้นมันดีสําหรับแต่ละคนแต่ละคนมันดีไม่เหมือนกันนะต่างคนต่างดีบางคนก็พุโทโธแล้วดีบางคนหายใจแล้วดีบางคนพุโทโธด้วยหายใจด้วยถึงจะดี บางคนเดินจงกรมแลดีบางคนขยับมือทําจังหวะแล้วดีที่ของแต่ละคนไม่เหมือนกันคือถ้าจิตเราพอใจมีความสุขในอารมณ์บรรไดเราก็อยู่กับอารมณ์นั้นถ้าเราอยู่กับอารมณ์นั้นแล้วนะจิตมีความสุขจิตมันก็สงบมันก็ไม่วิ่งพลาดไปหาอารมณ์อื่นเพราะฉ้นดูตัวเองนะสังเกตตัวเองว่าอยู่กับอารมณ์อะไรแล้วดีมีความสุขก็ตัวแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะเมื่อก่อนไปเรียนอูหลวงปู่ดุลหลวงปู่ดุลไม่เหมือน ครูบาาจารย์อื่นนะหลวงปู่ดูลมียานทัศนะที่แปลกคือท่านจะรู้ว่าเราแต่ละคนเนี่ยเคยทํากรรมฐานอะไรมากรรมฐานอะไรเหมาะกับเราท่านรู้นะอยากเราไปหาท่านไปกราบท่านหลวงปู่ครับผมอยากปฏิบัติเนี่ยท่านยังไม่สอนหรอกถ้านั่งหลับตาของท่านเงียบๆไปนะหลวงพ่ไปหาครั้งแรกไม่รู้จักท่านนะไปบอกท่านว่าอยากภาวนานท่านก็นั่งหลับตาไปเลยเราก็นึกในใจนะว่าหลวงปู่หลับมา เกือบชั่วโมงแล้วสงสัยหลวงปู่เพิ่งชันข้าวหลวงปู่อายุทั้งเก้าสิบกว่าเหนื่อยมากแล้วหลับไปแล้วเรานั่งรอเมื่อไหล่หลวงปู่จะตื่นมาสอนเราสทัทีแต่จริงท่านไม่ได้นั่งหลับหรอกท่านนั่งสอบประวัติเราว่าเราควรจะทํากรรมฐานในไเพราะท่านลืมตาท่านก็สอนเลยเนี่ยแต่ละคนท่านจะสอนในนั้นแล้วกรรมฐานที่ท่านสอนจะเหมาะกับคนคนนั้นแบบเป๊ ะ, เ, ปะเลยก็ไปทําอย่างอื่นนะไม่ได้ผลเลย ถ้าทําอย่างที่ท่านบอกนะแป๊บเดียวได้ผลเลยแต่ครูบาอาจารย์อย่างนี้ไม่เห็นมีองค์ที่สองนะไ ม, ไม่เคยเจอเลยที่ท่านรู้ขนาดนั้นงั้นพวกเราไม่มีครูบาอาจารย์ระดับนั้นมาบอกเราอีกอย่างหนึง่งสมัยที่หลวงพ่อไปเรียนกับหลวงปูด่ดุลนะนานๆจะมีคนไปถามกรรมฐานสักคนหนึ่งไม่มีคนเรียนเดี๋ยวนี้เวลามาเรียนกับหลวงพ่อทีหนึ่งนะเป็นร้อยเป็นพันเนี้ยมันช่วยตัวเองนะสังเกต เราอยู่กับพุโทโธแล้วมีความสุขไหมรู้ลมหายใจมีความสุขไหมหรือทํากรรมฐานอะไรมีความสุขสังเกตเอาถ้าเรารู้แล้วว่าเราควรจะทํากรรมฐานอะไรเราก็ทําบ่อยๆอยู่กับอารมณ์นั้นอย่างสบายๆไปไม่นานจิตก็สงบนะอันนี้เป็นกรรมฐานที่ทำไว้ให้จิตสงบสงบเพื่ออะไรเพื่อจิตจะได้พักผ่อนพักผ่อนเพื่ออะไรจะได้มีเรี่ยวมีแรงมาเจริญปัญญาต่อไปมันก็เหมือนการทํางานในโลกเนี้ย เราทำงานอย่างเดียวไม่ได้เราก็ต้องรู้จักพักผ่อนนี่พักมากไปไม่ยอมทำงานขี้เกียจขี้คลานมันก็ไม่รวยขยันทำงานไม่รู้จักพักก็ตายเร็วอาจจะรวยแต่ตายเร็วเี้กรรมฐานก็เหมือนกันถ้าเราเวลาเหนื่อยขึ้นมานะเราก็มาอยู่กับอารมณ์ที่สบายใจสงบใจสบายมีแรงนะถ้าทำได้อย่างนี้ก็สบายแต่ถ้าทำไม่ได้ก็ลําบากหน่อยนะแต่ว่าตรงที่จิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวเนี้อาจจะไม่ถึงขนาดเข้าฌานนะ หน้าตาพวกเราเข้าฌานยากดูฟุ้งสั้นคนรุ่นเราเนี้ยสมัยก่อนเท่าเรียนกันนานนานครูบาอาจารย์แต่ก่อนสอนกรรมฐานนะทำกันเป็นปีๆเลยแต่ละแต่ละบทเรียนนะทกันเป็นปีๆพุโทโธก็พุโทโธก็เป็นปีๆเลยไม่มีใจร้อนแบบพวกเรารุ่นพวกเราใจร้อนอยากได้ผลเร็วๆอย่างเงี้ยไม่สงบหรอก สมาธิชนิดสงบเนี่ยอยู่ที่เคล็ดลับอยู่ที่การน้อมจิตไปอยู่อารมณ์อันเดียวที่มีความสุขไม่บังคับจิตให้สงบจิตจะสงบเองเคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้สมาธิอีกชนิดหนึ่งคือสมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสมาธิอย่างนี้อาภัพที่สุดเลยทั้งๆที่จําเป็นที่สุดคนส่วนใหญ่ไม่รู้จักนะคนส่วนใหญ่ไม่รู้จักรู้จักแต่สมาธิที่สงบอยู่เฉยๆเพราะนั้นเราจะมาฝึกสมาธิของพระพุทธเจ้า อนนี้เป็นสมาธิของพระพุทธเจ้าเจ้าชายสิท ธ, ธนะัตถะเนี่ยตอนเท่ท่านเด็กๆไม่กี่ขวบนะประมาณ7ขวบอะไรเงี้ยเป็นนั่งใต้ต้นว่าใต้ต้นไม้แล้ท่านก็หายใจด้วยความรู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกใายใจเข้ารู้สึกในสวดจิตท่านตั้งมั่นเด่นดวงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาตอนที่ท่านออกบวชไปอยู่กะลฤอศีท่านก็เข้าฌานเข้าได้ถึงฌาน8ตอนเด็กๆอะ่ะนั่งสมาธิเองนะเข้าฌานหนึ่ง ไปอยูฤาษีเข้าฌานแปแล้วท่านบอกว่ามันไม่ใช่ทางที่มันไม่ใช่ทางเพราะว่ามันเป็นสมาธิคนละแบบตอนเด็กๆที่ท่านทําเป็นสมาธิที่จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานต่ที่ไปเรียนฤาษีเป็นสมาธิชนิดสงบนะจิตแน่วแน่อยู่ในอารมณ์มันเดียวงั้นมันไม่เหมือนกันท่านฝึกกันสมาธิฤาษีแล้วท่านเพราะว่าไม่ใช่ทางท่านก็ออกมาหาเส้นทางของท่านเองไปทรมานร่างกายอยู่นานหลายปีนะ เสร็แลนะ้ท่านก็พบว่าทรมานกายเขาไม่ใช่ทางท่านก็ระลึกได้ถึงสมาธิตอนเด็กๆได้ท่านก็มาฝึกจิตของท่านคราวนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่ฌานที่หนึ่งท่านก็ทำลึกเข้าไปจนถึงฌานที่สี่พอฌานที่4ีนี่จิตเป็นอุเบกขาจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นผู้มีอุเบกขาท่านก็จเจริญปัญญาจเจริญปัญญาด้วยการดูปฏิจจสมุ ป, ปบาท เห็นการทำงานของจิตในสุดท่านก็บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารูนะ้สัมมาสัมพธทธญาณงันท่านทําสมาธิที่ถูกชนิดนะถ้าทําผิดชนิดท่านบอกว่าไม่ใช่ทางงั้นพวกเราต้องมารู้จักสมาธิอย่างที่สองนี่ให้ดีสมาธิอย่างที่สองนี่มีชื่อเฉพาะว่าลักขณูปนิชฌานอันแรก จิตสงบในอารมณ์อันเดียวเรียกอารามาโปนิชฌานอารามะก็คืออารมณ์นั่นแหละอันที่สองรักขนุปนิชฌานจิตตั้งมั่นแล้วเห็นความเป็นไตรลักษ์ของรูปธรรมนามธรรมได้จิตจะไปเห็นนะไม่ใช่ไปคิดไม่ใช่คิดถึงรูปธรรมนามธรรมว่าเป็นไตรลักษ์ร่างกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนั้นยังไม่ใช่วิปัสนาตรเวิปัสนาเนี่ยจิตไปเห็นร่างกายเนี่ยเป็นไตรลักษ์ไปเห็นจิตใจเป็นไตรลักษ์ไปเห็น เห็นหมายถึงว่าอะไรเห็นหมายถึงว่าร่างกายมันก็เป็นไตรลักษณ์อยู่แล้วจิตมันก็เป็นไตรลักษณ์อยู่แล้วแต่ที่ผ่านมาไม่เคยเห็นเนี่จิตจะไปเห็นไตรลักษณ์ของรูปของนามได้เนี่ยอันแรกเลยจิตต้องถอนตัวออกมาจากการเป็นผู้แสดงเมื่อเป็นผู้รู้ผู้ดูครูบาอาจารย์สมัยก่อนถ้าเรียกว่าจิตผู้รู้จิตผู้รู้ไม่ใช่จิตผู้คิดผู้นึกผู้ปลุงผู้แต่งจะเป็นจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตผู้รู้จะเกิดขึ้นได้อย่างไร ตรงนี้เป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะที่จิตผู้รู้จะเกิดขึ้นได้อย่างไรจิตผู้รู้นั้นตรงข้ามกับจิตผู้หลงจิตผู้หลงไปดูหลงไปฟังหลงไปดมกลิ่นหลงไปริมรถหลงไปรู้สัมผัสทางกายหลงไปคิดนึกทางใจนี่คือจิตหลงหลงได้หกช่องทางแต่ช่องทางที่หลงบ่อยที่สุดก็คือหลงทางใจได้แค่การหลงไปคิดถ้าเมื่อไหร่จิตไม่หลงนะเมื่อนั้นจิตรู้ก็เกิด มีวิธีทําให้จิตไม่หลงเราสั่งจิตห้ามห้ามหลงเนี่ยห้ามไม่ได้จิตเป็นอนัตตาจิตจะหลงก็ห้ามไม่ได้อาศัยสติที่ว่านี้แหละคอยรู้ทันเวลาจิตหลงจิตไหลไปคิดเรารู้ทันจิตไหลไปคิดเรารู้ทันฝึกอย่างนี้มากๆเราจะได้จิตที่เป็นผู้รู้ขึ้นมาหลวงพ่อเคยเจอคุณแม่จันดีน้องสาวหลวงตามหาบัวคุณแม่จันดีมาถามหลวงพ่อนะว่าท่านอาจารย์ภาวนา ย, ยังไงจิตมาลงที่เดียวกับท่านท่านว่าอย่างนี้ หลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อหายใจธรรมานาปนสตินะจนทั่งลมมันค่อยระ ง, งับลงไปละเอียดไม่กลายเป็นแสงสว่างอยู่ตรงเนี้ยสว่างพอแสงสว่างแล้วเนี้ยไม่วิ่งตามแสงไปนะแต่ว่าคอยรู้ทันจิตไหมหลวงพ่อใช้แสงสว่างนะั้นเป็นอารมณ์กรรมฐ า, านนะเพราะว่าลมพอละเอียดเข้าไปแล้วจะกลายเป็นแสงควนะามเป็นแสงขึ้นมาแล้วเนียเรารู้ทันจิต ดูไปสบายๆถ้าจิตหนีไปที่อื่นลืมจากแสงนะรู้ทันว่าจิตไหลไปพอรู้ทันว่าจิตไหลจิตก็ตั้งมั่นมีสมาธิที่ถูกต้องขึ้นมาคุณแม่จันดีบอกว่าถ้าอย่างนั้นอันเดียวกันเพียงแต่ว่าท่านไม่ได้ใช้ลมหายใจหลวงตามหาบัวสอนให้ท่านใช้พุทโธ ท, ท่านบอกท่านพุทโธแล้วท่านก็ทำความรู้สึกอยู่ที่ปลายจมูกนี่เหมือนกันแล้วพุทโธไปสบายๆพุทโธพุทโธแล้วถ้าจิตหนีไป จิตนี้ไปคิดเนี่ยรู้ทันนัใช่หลักเดียวกันคือให้จิตอยู่ในอารมณ์กรรมฐานอันหนึ่งนะแล้วค่อยรู้ทันจิตเวลามันหนีไปที่อื่นงา้นการที่เรารู้ว่าจิตหนีไปนั้นมีสติเป็นตัวรู้ทันว่าจิตไหลไปแล้วจิตหลงไปแล้วส่วนใหญ่หลงไปคิดนะส่วนใหญ่จะหลงไปคิดทันทีที่เรารู้ว่าจิตหลงไปคิดจิตรู้จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเลยเพราะจิตรู้กับจิตคิดน่ะตัดข้างกันจิตคิดเป็นจิตที่หลงตามอารมณ์ไป จิตรู้เนี่ยมันมีสติขึ้นมามันรู้ทันว่าเมื่อกี้หลงทันทีที่รู้ว่าหลงจิตรู้ก็เกิดเมราะเราอย่าไปจงใจทําจิตรู้ให้เกิดในความเป็นจริงแล้วการจะทําจิตรู้ให้เกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นทําได้2แบบแบบหนึ่งง่ายที่สุดก็คือการที่ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปโดยเฉพาะไหลไปคิดอันนี้ง่ายที่สุดพวกเราสามารถทาได้เพราะจิตของเราไหลตลอดเวลาแต่แทนที่จะปล่อยให้ไหลแล้วก็ไม่รู้เรื่องนะ เราก็มาหาัดทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งเช่นพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปใจหนีไปที่อื่นละวหนีไปคิดเรื่องอื่นแล้วไม่คิดพุดโทโธแล้วเรารู้ทันว่าหลงไปแล้วอย่างนี้ง่ายที่สุดละโดยทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตที่ไหลไปถ้าทําให้เต็มรูปแบบนะก็ต้องเข้าฌานจนถึงฌานที่สองนะจิตตัวรู้นี่จะเด่นดวงอยู่แล้วพอออกจากฌานแล้วเนี่ยจิตรู้นีย่ยังเด่นอยู่อีกหลายวันแต่ไม่เกินเจวันหรอกมันก็เสื่อมเหมือนกัน อันนี้ทำยากพวกเราเข้าฌานไม่เป็นนะดังั้นเราก็อาศัยการรู้ทันจิตที่ไหลเป็นขณะขณะตรงที่เราเข้าฌานมานะเราจะได้ตัวรู้ที่เข้มแข็งเพราะว่าการเข้าฌานนั้นเป็นสมาธิสูงถึงอัปปนาสมาธิต่าลงมาเป็นอุปจารสมาธิแต่ตรงที่เรามีสติรู้ทันจิตที่ไหลเป็นขณะขณะเนี่ยเป็นสมาธิเบื้องต้นเองนะเป็นสมาธิง่ายๆเรียกว่าคณิกสมาธิสมาธ่ช่วขณะแต่อย่าดูถูกสมาธิชั่วขณะ บุคคลส่วนใหญ่ที่บรรลุพระอรหันต์เนี่ยไปด้วยสมาธิชนิดนี้นะในสมัยพุทธกาลพระอราหันต์ห้าร้อยองค์พุทธเจ้าท่านบอกเลยเป็นพระอราหันต์ได้วิชาสามหกองค์ได้พิน ญ, ญาห60องค์ได้อรูปฌานอีก60องค์รวมแล้วพระอราหันต์ที่ท่านเล่นฤทธิ์เล่นฌานเนี่ยนะมีร้อยแจาก500หรือ3าเปอเเองส่วนใหญ่ก็คือคนอย่างพวกเรานี่เองนะแต่ว่าท่านคอยรู้ทัน จิตไหลเรารู้ไหลเรารู้เนี่ยนะสมาธิมันเกิดเกิดเป็นขณะขณะอย่าดูถูกมันเราฝึกบ่อยๆจนกระทั่งในที่สุดจิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวหลวงพ่อฝึกจนกระทั่งใจอยู่กับตัวเองมาตั้งแต่เป็นครวาชนะครูบาอาจารย์หลวงปู่สิมเจอหลวงพ่อเนี่ยหลวงปู่สิมเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้คนอื่นไม่เข้าใจว่าทําไมท่านเรียกว่าผู้รู้นะท่านทําไมเรียกผู้รู้เพราะเป็นผู้ไม่หลงใจมันตั้งมั่นเด่นดวงรู้สึกตัวอย่อยางนี้แหละ โดยที่ไม่ได้บังคับนะอาศัยที่ไหลก็รู้ไหลก็รู้ในที่สุดมันไม่ไหลโดยที่ไม่ได้จงใจถ้าจงใจห้ามไหลเนี่ยใจจะแน่นแน่นถ้าใจแน่นๆเนี่ยใจเป็นอกุศลใจที่แน่นๆหนักหนันี่เป็นอกุศล น, นะเพราะงั้นถ้าแน่นแค่เมื่อไหร่หยุดก่อนทําผิดละใจที่เป็นกุศลจริงๆมันเบานุ่มนวลอ่ อ, อนโยนสบายว่องไวแล้วค่อยๆหัดสังเกตไปทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วใจหนีไปรู้ทันใจหนีไปคิดนี่แหละรู้ทัน ทันทีที่รู้ว่าหนีไปคิดตัวรู้ก็เกิดขึ้นมานี่เราจะได้สมาธิอย่างที่2นะส่วนสมาธิอย่างแรกนะเอาไว้พักผ่อนสมาธิอย่างที่2เนี่ยเรามาฝึกใจเป็นคนดูได้ละเมื่อใจเราสามารถถอนตัวออกมาจากโลกของความคิดมาอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวใจดวงนี้พร้อมสำหรับการเจริญปัญญาการเจริญปัญญาเนี่ยคือการเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจ สิ่งที่เป็นตัวเราก็จะมีแต่รูปธรรมก็นา ม, มาทำมาประกอบกันเขึ้นมาเป็นตัวเราเราจะเรียนรู้ความจริงของกายของใจนี้แหละเราจะดูความจริงของกา ย, าก ด, ากายดูความจริงของใจเครื่องมือที่ใช้อันแรกคือสติอันที่อสองคือสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นหลวงพ่อถึงสอนพวกเราบ่อยๆ บ, บ, บอกให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางถ้าไม่มีจิตที่ตั้งมั่นจะไม่เกิดปัญญา จิตจะหลงไปนิ่งๆอยู่เฉยๆงั้นจิตมันต้องถอนตัวมาเป็นคนดูให้ได้พอจิตถอนตัวมาเป็นคนดูมันจะเห็นว่าร่างกายกับจิตเนี่ยเป็นคนละอันกันความรู้สึกสุขทุกข์กับร่างกายก็คนละอันความรู้สึกสุขทุกข์กับจิตก็คนละอันความดีความชั่วรอบกรดหลงกับจิตก็คนละอันกันเนี่ยจะค่อยๆแยกออกไปหลวงตามหาบัวนะท่านฝันธงเลยนะว่าถ้าแยกธาตุแยกขันไม่เป็นนะีอย่ามาคุยอวดเรานะ ว่าจเจริญปัญญาจ ะ, จะเจริญปัญญาเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจได้ต้องแยกธาตุแยกขันเป็นแยกยังไงแยกให้เห็นว่าร่างกายกับจิตเนี่ยมันขนละอันกันนะเอาทุกคนลองยิ้มซิยิ้มนะแล้วรู้สึกไหมตัวเองยิ้มอยู่ลองพยักหน้าสิรู้สึกไหมร่างกายมันพยักหน้านี่หัดรู้สึกอย่างนี้นะทากรรมฐานก็ได้นะเห็นท้องฟองท้องยุบขยับมือทาจังหวะก็ได้ เห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนรู้สึกใจเป็นคนรู้สึกนะเนี่ยพยักหน้าอย่างเงี้ยรู้สึกไหมรู้สึกไหมันรู้สึกได้ทุกคนนะแต่อย่าระวังอย่างนี้นะแล้วจะพยักหน้าะ แ, แล้วจะคอยรู้สึกเนีอาละอย่างนี้แพงอยู่นะให้มันเป็นธรรมดานะอย่าให้ใจมันแน่นๆขึ้นมานะเอายิ้มหวานยิ้มแล้วเห็นร่างกายตัวเองยิ้มอย่าไปดูคนอื่นยิ้มนะดูตัวเองยิ้ม ดูคนเห็ยิ้มเดี๋ยวกิเลสเกิดตอนนี้ร่างกายหายใจอยู่รู้สึกัหมเห็นร่างกายหายใจเหมือนที่เห็นร่างกายยิ้มตะเกียรลองทำซิเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าไม่ได้มุ่งไปให้สงบนะแต่มุ่งให้เห็นว่าร่างกายมันหายใจใจเป็นคนดูเอ้าลองทำดูระวังหน้ากลายเป็นเพ่งกันเกือบหมดห้องแล้วน้าเพ่งนะมันจะเป็นแบบนี้ทาหน้าให้ดูนะ เนี่ยบอกให้ดูร่างกายหายใจนะก็เริ่มเงี้ยพอเลิกดูร่างกายก็เ อ, อายังอย่างนี้อย่างนี้ไม่เอานะอย่างนี้มันกลายเป็นมิจฉาสมาธินะโมหะแทรกนะรู้สึกไปด้วยใจที่โปร่งใจที่สบายใจที่เป็นธรรมชาติธรรมดานะอย่างตอนที่หลวงพ่อให้ยิ้มรู้สึกไหมใจมันผ่อนคลายเพราะงาั้เราก็เห็นร่างกายหายใจไปด้วยจิตใจที่ผ่อนคลายแบบนั้นแหละ แล้วก็เนี่ยร่างกายมันพยักาหน้าเราก็เห็นมันด้วยใจที่ผ่อนคลายถ้าใจไม่ผ่อนคลายใจไม่มีสมาธินะใจเครงเครียดงั้นต้องไปฝึกนะต่อไป น, นี้เนี่ยทำกรรมฐานนี่แหละเห็นร่างกายหายใจอย่าไปจ้องใส่ลมหายใจอย่าจ้องที่ลมหายใจนะครูเจ้าสอนดูุขะพิสูจทั้งหลายให้เธอคู่บันลังตั้งกายตรงดํารงสติเฉพาะหน้า หายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวท่านให้แค่รู้ใครเป็นคนหายใจออกยาวร่างกายหายใจออกยาวงั้นรู้อะไรรู้ว่าร่างกายหายใจออกไม่ได้ไปรู้ที่ตัวลมนะถ้าไปจ้องใส่ตัวลมมันจะกลายเป็นกะสินลมสุดท้ายมันจะเป็นแสงจะเข้าฌานคนละแบบกันนะอันนั้นจะมุ่งไปทางฌานแต่ถ้าเรามุ่งที่จะเจริญปัญญาจะหัดแยกขันเนี่ยทอีกแบบหนึง่ง เห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูไม่ใช่เห็นลมหายใจทำไมเห็นร่างกายหายใจเห็นร่างกายยิ้มก่อนก่อนจะหายใจต้องยิ้มจำไหมนะยิ้มเพื่ออะไรให้ใจมันผ่อนคลายใจมันสบายแล้วก็เห็นร่างกายหายใจไปอย่าให้ใจมันบีบเข้าไปอยู่กับลมนะเราลองดูโอ้ดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลยรู้สึกถึงความต่างไหม ถ้าจ้องใส่ลมเนี่ยมันจะเริ่มงี้นะหน้าตาเครียดขึ้นเรื่อยๆเนี่ยตาหวา่องหวงนะแต่ถ้าเนี่ยใช้ใจที่สบายเห็นร่างกายหายใจหรือเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนก็ได้มันจะรู้สึกว่าร่างกายที่หายใจร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนเนี่ยไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าะค่อยๆฝึกไปได้วยนะจะเห็นว่ากายกับใจเนี่ยคนละอันกัน อันนี้เป็นจุดตั้งต้นนะยังไม่ขึ้นไม่ปรั ส, สนาขึ้นไม่ปรั ส, สนาเนี่ยตรงใจมันรู้สึกเลยว่าตัวที่กําลังหายใจอยู่เนี่ยมันไม่ใช่เราหรอกเป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุเป็นแค่มันเป็นความรู้สึกของใจไม่ใช่การคิดด้วยนะถ้ายัางคิดอยู่ยังไม่ใช่นี่บางคนเวลารู้สึกตัวขึ้นมาแล้วรู้สึกอยู่เฉยๆรู้สึกอยู่เฉยเฉยเนี่ยครูบาอาจารย์จะบอกให้คิดพิจารณานะคิดว่าเนี่ยร่างกายเป็นไตรลักษณนะ์อะไรเนี่ย เป็นการกระตุ้นให้จิตหัดมองไตรลักแต่ถ้าเราฝึกอย่างที่หลวงพ่อบอกมาตามลำดับเนี่ยมันจะเห็นเลยเห็นทนโท่อยู่เลยว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราหรอร่างกายเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะค่อยฝึกนะค่อยฝึกไปสุดท้ายมันจะเห็นว่าร่างกายมันไม่ใช่เรานี่บางคนไม่ถนัดที่จะแยกกายกับจิตก็ไม่แยกความรู้สึกกับจิตเช่นความรู้สึกสุขสังเกตไหมในใจพวกเราจะต้องมีความรู้สึกเสมอ ไม่สุขก็ทุกข์ถ้าไม่สุขไม่ทุกข์ก็เฉยๆเห็นไหมมีเบียนอยู่3อย่างนี้หมุนอยู่ในใจเราไม่สุขก็ทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ก็เฉยนะเราก็จะเห็นความสุขเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าไม่ใช่ตัวเรานะเป็นสิ่งที่จิตไปเห็นเข้าความทุกข์ก็เป็นสิ่งที่จิตไปเห็นเข้าความเฉยๆก็เป็นสิ่งที่จิตไปเห็นเข้าอันนี้หัดแยกนํามาทําหรือโกรธบางคนขี้โมโหนะเรโกรธขึ้นมาแต่เดิมเราฝึกสติโกรธแล้วรู้โกรธแล้วรู้อเงี้ย เราได้ได้สติได้ศีล น, นะหรือฟุ้งซ่านเรารู้เนี่ยได้สมาธนะิแต่ตอนนี้เราจะเอาใหม่เราเห็นว่าความโกรธก็ดีความโลภก็ดีความฟุ้งซ่านก็ดีความสงบก็ดีเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้า <_ S 2> จิตกับความสุขความสงบความดีความชั่วนะคนละอันกันนะฝึกให้เห็นอย่างนี้เรื่อยๆพอเห็นอย่างนี้นะความรู้สึกกับจิตจะแยกออกจากกันนะพอแยกออกจากกันแล้วต่อไปนี้เราเรียกวเราแยกธาตุแยกขันได้ แล้ยากทาแยกขันได้แล้วต่อไปเราจะทำวิปัสนาถ้าคนไหนถนัดรู้สึกกายก็คอยรู้สึกอยู่ที่กายเห็นร่างกายทำงานใจเป็นคนดูนะแล้วถ้ามันไปรู้อยู่เฉยๆเห็นอยู่เฉยๆนะไม่ยอมดูความเป็นไตรลักษณ์ของร่างกายหรือจิตที่เป็นคนไปรู้นะไม่ดูไตรลักษณ์ของกายแล้วก็จิตที่ไ ป, ไปรู้กายอันนี้ให้คิดพิจารณาช่วยนะเออร่างกายไม่ใช่เรานะ เรายืมโลกมาใช้นะมาจากอาหารมาจากอะไรเนี้ยต่อไปก็ต้องคืนโลกไปอะไรค่อยๆสอนจิตไปเป็นอุบายให้จิตหัดมองร่างกายเป็นไตรลักษณ์เงที่ครูบาอาจารย์วัดป่าท่านจะสอนกันเนี่ยว่าพุโทโธแล้มาพิจารณาร่างกายมีการกระตุ้นให้จิตหัดดูไตรลักษณ์นี่พอจิตมันหัดดูไตรลักษณ์จนมันชํานาญนะมันมีสัญญาสัญญารู้จักเข้าไปหมายรู้ความเป็นไตรลักษณ์แล้วนะีไม่ต้องไปคิดละต่อไปนี้ให้คอยรู้เอา มันจะมีความรู้สึกขึ้นในใจอย่างเวลาเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกเลยว่านี่มันเป็นแค่ก้อนาธาตุก้อนหนึ่งเป็นแค่วัตถุเนี่ยตัวเนี้ยเป็นแค่วัตถุอันหนึง่งนะมันไม่ใช่ตัวเราเหรอกเนี่ยค่อยๆดูลงไปถ้าวันใดใ จ, จยอมรับความจริงนะว่าร่างกายไม่ใช่เราแล้วจิตที่เป็นคนดูร่างกายเนยะเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้เพ่งนะเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็คิด <ưng. S 1> เดี๋ยวก็เพ่งเห็นในจิตนี่ก็แปรปรวนตลอดสั่งไม่ได้นะ สั่งให้เป็นผู้รู้ตลอดก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้ไปคิดก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้ก็เห็นอีกจิตก็เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราอีกนะเห็นทั้งกายเห็นทั้งจิตนั่นแหละตกอยู่ใต้อานิจจังทุกขอังอนัตตาตรงที่เราเห็นความเป็นไตรลักษณ์นั่นแหละเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานนะหรือถ้าหัดดูจิต ด, ดูใจหลวงพ่อเนะั่ตอนเด็กๆเกนะี่ยทำอนาปนสติเพื่อทําสมาธิแต่เวลาเดินปัญญาเนี่ยหลวงปูด่ดนกลับบอกให้ดูจิต น e you know. so kind of ah. ั้หลวงพ่อเดินปัญญาด้วยกันดูจิตพวกเราไม่ต้องเรียนแบบทางใครทางมันถ้าถนัดดูจิตก็ดูจิตถ้าถนัดดูกายก็ดูกายอะไรก็ได้มันลงที่เดียวกันเพราะจริงๆไม่ได้ดูกายจริงๆไม่ได้ดูจิตจริงๆดูไตรลักษณ์นี่ยไตรลักษณ์อยู่ที่กายด้วยไตรลักษณ์อยู่ที่จิตด้วยดูที่ไหนก็เจอในไตรลักษณ์ไม่ได้อยู่ในเรื่องที่คิดคิดฝันฝันเอาในสมมุติบัญญัติไม่มีไตรลักษณ์ไตรลักษณ์อยู่ที่กายอยู่ที่จิตเรานี่เองนั้นถนัดดูกายก็ดูกายถนัดดูจิตก็ดูจิตไป ค่อยๆดูค่อยๆรู้ไปสบายๆนะอย่างคนไหนขี้โกรธนีน่ก็เห็นนะมันโกรธแล้วอาะมันหายแล้วเนี่ยความโกรธมีอยู่แล้วก็ความโกรธก็ดับไปเนี่ยเห็นต่อหน้าต่อตาเลยมันพุ่งขึ้นมาความโกรธพุ่งขึ้นมารู้ทันมันจหายไปนะมีแต่เกิดแล้วดับเกิดแล้วดับอย่างนี้เรียกว่าเห็นอนิจจังเอ๊ะมันโกรธได้เองฮ่ตั้งใจจะไม่โกรธเลยตั้งใจจะไม่โกรธอยู่ๆความโกรธก็พุ่งขึ้นมาเนี่ยนี่มันเป็นอนัตตาอนัตตาคือ มันสั่งไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจตั้งใจจะไม่รักอยู่ๆก็รักขึ้นมาเนี่ยตั้งใจว่าจะไม่โลภไปเดินช้อปปิ้งเฉยๆจะไปดูนะตามศูนย์การค้าจะไปดูเฉยๆว่านี้จะไม่ซื้อเพ้อแป๊บเดียวนะยิ้วของกลับมาเต็มเลยนะนี่ขาดสติแล้วเนี่ยคอยรู้ทันนะครรู้ทันจิตใจของเราเองให้เห็นเลยโลภก็ไม่ใช่เราโกรธก็ไม่ใช่เราหลงก็ไม่ใช่เราดีก็ไม่ใช่เราชั่วก็ไม่ใช่เราสุขก็ไม่ใช่เราทุกข์ก็ไม่ใช่เราดูไปเรื่อยๆดูไป บันไดที่เราสามารถเห็นได้นะกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีนะถ้าบุญบารมีเราพอนะศีลสมาธิปัญญาเราพอเนี่ยอริยมรรคขั้นต้นจะเกิดขึ้ น, นจิตจะรวมเข้ามาปนาสมาธินะในขณะที่เกิดอริยมรรคเนี่ยจิตจะต้องเข้าฌานต้องเข้าฌานนะไม่อยู่ข้างนอกอย่างนี้แต่พวกเราอย่ากตกใจว่าพวกเราไม่ได้ฝึกเข้าฌานถ้าเราจเจริญศีล ส, สมาธิปัญญาของเราไปเรื่อยๆเนี่ยถึงจุดที่มันพอแล้วนะมันเข้าของมันเอง มันจะเข้าฌานของมันเองแล้วมันใช้เวลาสั้นนิดเดียวครูบาอาจารย์เคยเล่าให้หลวงพ่อฟังนะหลวงพ่อพุทธเนี่ยท่านเคยเล่าให้ฟังท่านบอกว่าท่านนั่งเทศอยู่ท่านเทศอยู่บนสัมมาทิฏนี่แหละเทศเทศเทอยู่จิตท่านรวมปุ๊บมันล้างกิเลสลงไปนะทำลายกิเลสลงไปแล้วก็ท่านจิตถอยกลับเข้ามาเนี่ยรู้สึกว่าตอนนี้กำลังนั่งเทศอยู่ท่านรีบคิดเลยว่าเมื่อกี้เทศถึงไหนแล้วแล้วก็เทศต่อ บอกว่าคนฟังเนี่ยไม่สะดุดเลยมันเหมือนกับท่านเว้นวักธรรมดาเนี่ยเองมันช่วงเวลาที่จิตจะล้างกิเลสเนี่ยใช้เวลาสั้นนิดเดียวพริบตาเดียวเท่านั้นเองนะไม่นานงั้นถึงเราเข้าสมาธิยาวๆไม่เป็นไม่ต้องตกใจแล้วตอนนั้นจิตมันเข้าของมันเองแล้วเข้าแวบเดียวเท่านั้นนะล้างกิเลสเนะี่ล้างในแวบเดียวไม่ล้างยาวเป็นวันๆหรอกนะถ้าล้างกิเลสยาวเป็นวันๆนะของเก๊แล้วถ้าล้างจริงๆล้างช่วขณะจิตเท่านั้นเอง เพราะนไม่ต้องเสียใจว่าเข้าฌานไม่เป็นเจริญไปเถอะศีล ส, สมาธิปัญญานะมีสติอบรมจิตใจไปได้รักษาจิตใจไปเรื่อยแล้วก็เจริญปัญญาแยกธาตุแยกขันธ์เห็นธาตุเห็นขันธ์สแสดงใจลักไปถึงชุนหนึ่งอริยมรรคจะเกิดเองนะเราได้ขั้นต้นแล้วต่อไปก็ภาวนาอย่างเดิมแหละแต่ว่าปัญญามันจะแก่กล้าขึ้นโลปุสวัรคยสอนหลวงพ่อนะโลปุสวรสวัสดิโจะ ท่านบอกหลวงพ่อว่าตอนนั้นหลวงพ่อเคยวางจิตลงไปแล้วไปหยิบขึ้นมาอีกมันมีความรู้สึกว่ารู้แค่นี้เหรอรู้แค่นี้น้อยไปกลัวไม่มีความรู้ไม่หยิบเอาจิตขึ้นมาพิจารณาต่อหลวงปูบ่บอกว่าทิ้งมันไปเลยไม่มีอะไรหรอกะท่านบอกว่าพระสกทาคาพระอนาคาพระอรหันตนะ์เห็นสิ่งเดียวกันแหละแต่ความรู้ความเข้าใจมันไม่เท่ากันแล้วก็นึกในใจหลวงปู่พูดง่ายนะว่าให้ทิ้งไปเลยทิ้งไปเลยก็เราทิ้งไม่ได้อะนะ เรามันยังยึดอยู่นะตอนนั้นบทพรรษาแรกนะ น, น, นบอกทิ้งไปเลยไม่มีอะไรแล้วนะมันไม่ทิ้งมันไม่ทิ้งเพราะว่าปัญญามันไม่พอนะตอนนั้นรู้แต่ว่ามันขาดแต่าขาดอะไรไม่รู้นะค่อยภาวนาเรื่อยๆไปเนะี่ยสุดท้ายนะครู บ, บาอาจารย์ท่านบอกนะสุดท้ายมันจะเห็นตัวทุกข์ที่แรกเราเห็นกายนี้ ใ, นใจนี้ไม่ใช่ตัวเรานะในขั้นต้นขั้นพระโสดาบัน แต่พอนาไปเรื่อยๆมันจะเห็นความจริงที่ลึกซึ้งกว่านั้นอีกกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราก็จริงรไม่เป็นตัวอะไรมันเป็นตัวทุกข์ถ้าเห็นกายเป็นตัวทุกข์จิตก็คืนกายให้โลกนะจิตจะไม่หวั่นไหวกับกายละถ้าเห็นจิตเป็นตัวทุกข์จิตจะคืนจิตให้โลกนะจิตจะเข้าถึงความเป็นธรรมธาตุเป็นธาตุรู้ที่บริสุทธิ์ไม่ใช่จิตผู้รู้นะจิตผู้รู้เนี่ยพวกเราฝึกก็มีแล้วละแต่ว่าพวกเรายังเข้าไม่ถึงสิ่งที่เรียกว่าธาตุรู้ สมเด็จพญายนาถสังวรท่านเรียกตัวนี้ว่าวิญญาณธาตุหนะลวงปู่ดูลท่านเรียกว่าจิตหนึ่งนะท่านเรียกจิตหนึ่งหลกงปู่เทศท่านเรียกว่าใจหลวงตามหาบัวท่านเรียกว่าธรรมธาตุมันคือสิ่งเดียวกันมันคือจิตที่บริสุทธิ์แล้วไม่มีอะไรตรงแต่งนั่นเองถ้าเราสามารถเข้าถึงความจริงแท้นะว่ากายนี้คือทุกข์จิตนี้คือทุกข์มันจะวางวางอะไรวางตัวทุกข์ลงไป จิตสลัดคืนตัวทุกข์ไปกันโลกแล้วจิตก็เ ข, เข้าสัมผัสกับนิพพานนั้นก็เต็มภูมิของตัวเองจิตจะไม่มีอะไรเข้ามาปรุงแต่งได้อีกต่อไปมีความสุขอยู่ตลอดชีวิตที่เหลืออยู่นี่แหละงั้นฝึกนะนไหนๆเราก็เป็นชาวพุทธทั้งทีแล้วมีโอกาสได้ฟังทำก็งลงมือฝึกสรุปแล้วก็คือตั้งใจรักษาศีห้าไว้ก่อนแล้วฝึกสติใหด้ดีคอยรู้ทันกิเลสอะไรเกิดคอยรู้ทัน แล้วสีลของเราก็จะสะอานหมดจดขึ้นเรื่อยๆแล้วเวลาความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นค่อยรู้ทันสมาธิก็จะเกิดขึ้นเพราะสมาธิมันตรงข้ามกับฟุ้งซ่านเพราฟุ้งซ่านมันเป็นกิเลสเรามีสติรู้ทันมันไม่ฟุ้งซ่านสมาธิมันก็เกิดแลจิตใจมอยู่กับเน้อกับตัวแล้วอยารู้ตัวอยู่เฉยๆให้ดูกายดูใจมันทํางานให้เห็นว่ากายก็อันนึงใจก็อันนึ่งจิตใจเราเป็นคนดูถ้าดูแล้วมันก็ดูกายอยู่เฉยๆ ให้คิดพิจารณาไตรลักษณ์นะถ้าดูจิตแล้วก็ว่างๆอยู่เฉยๆให้คิดพิจารณาไตรลักษณ์แต่ถ้าจิตมันเห็นกายเป็นไตรลักษณ์เห็นจิตเป็นไตรลักษณ์แล้วอย่าไปคิดพิจารณาให้ดูของจริงนะตรงที่ปัญญาแท้ๆเกิดนั้นเกิดจากการไปเห็นของจริงวิปัสนาจึงแปลว่าเห็นปัสฐานว่าการเห็นวิแปลว่าแจ้งนะเห็นแจ้งเห็นถูกต้องเห็นตรงตามความเป็นจริงคือเห็นไตรลักษณ์ต้องฝึกนะ อย่าเสียชาติเกิดทังทีเลยอุตส่าห์นั่งรถไฟฟ้ามาฟังเทศนะใครนั่งรถไฟฟ้ามาบ้างมีไหมหร<ม>ือว่าเดินมามีม้ในนี้คงเดินมายากนะมันใหญ่เอาละพอสมควรแคร่เวลานะว่าม า, า, มากลับล้วัชการหลวงพ่อคะ่ะกันบ้านคะ่ะอ้าวว่าม า, า, มาก็อ่อมีอยู่ วันหนึ่งที่หนูนั่งสมาธิแล้วหนูก็เห็นอความอยากมันผุดขึ้นมาแล้นกนดนน็ดิ้นพล่านไปทั้งดิ้นพ่านไปทั้งใจเลยอะค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าอยากว่าอะไรรู้แต่ว่ามันอยากแต่ไม่รู้ว่าอยากอะไรเออไม่จ<อ>ําเป็นต้องรู้หรอกแล้วก็รู้สึกทรมานมากอ่าแต่ก็ทนดูมันจนกระทั่งมันสงบลงให้ดูตรงนี้นะถ้าความอยากมันพ่านขึ้นมานะทรมานเนี่ยใจไม่ชอบหรือเปล่า ถ้าใจไม่ชอบดูที่ไม่ชอบนี่ไม่ต้องดูที่อยากล้อยากเป็นอนดีตปัจจุบันคือไม่ชอบมันเกิดขึ้นทีหลังเกิดขึ้นใหม่ใจเกิที่ใจเราเังนันถ้าเราเห็นความอยากเกิดขึ้นใจไม่ชอบรู้ไม่ชอบใจเป็นกลางพวปุ๊บความใหญ่ขาดสะบั้นเลยไม่อยู่นานหรอกอ่าแล้วก็ช่วงนี้มีโทรศัมากคนะ่ะดีๆแต่เดิมมันก็คงมีนะแต่ไม่เห็นนะเรามาหัดภาวนาแล้วมันเห็นมีโทรศั มีโทษะบ่อยๆใช่ไหมดีมีโทสะแล้วรู้ว่ามีโทสะดีนะพร่เจ้าบอกไม่ใช่หลวงพ่อบอกหรอกทันบอกว่าถ้าจิตเป็นกุศล ร, รู้ว่าเป็นกุศลดีเลิศรรเลยจิตเป็นกุศลแล้วไม่รู้ว่าดีอยู่นะใช้ไม่ได้จิตไม่ดีจิตเป็นอกุศล ร, ร, รู้ว่าเป็นอกุศลดีถ้าอากุศลแล้วก็ยังไม่รู้อกุศลเนี้ยเหลวเลิศเลยใช้ไม่ได้ท่านโนนรู้กิเลสนะใช้ได้แล้วล่ะเจ้า รู้สึกว่าอยากอยากจะมีเมตากับกับกับคนที่เขาไม่มีสีธรรมแต่เมตตาไม่ออกใจมันแบบแห้เกื่อเมตตามันต้องฝึกนะเมตตาของที่เรารักก่อนของที่เรารักที่สุดก็ตัวเองก็เมตตาคนที่เรารักเมตตาคนที่กลางกลางไม่รักมรไม่เกลียดค่อยเมตตาคนที่เกลียดต้องฝึกนะ ฝึกเมตตาทำยังไงฝึกเมตตาไม่ใช่มาท่องจงเมตตาจงเมตตามันไม่เป็นหรอกคำว่าเมตตาคำว่าไมตรีคำว่ามิตรนะเป็นคำเดียวกันเรามองคนอื่นในสายตาของเขาในมุมของเขาบ้างเมื่อทีที่เราโกรธเขานะเพราะเรามองเขาในมุมของเราอย่างนี้ไม่ถูกอะไรเงี้ยใจมันโกรธขึ้นมาแต่ถ้าเรามองเขาเขาทำอย่างนี้เพราะอะไรโอกมันมันคิดอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้นะ บางทีพอเข้าใจแล้วมันหายโกรธเลยค่อยๆนะถ้าโกรธมากๆลองปรับมุมมองหน่อยเรามองเขาเราจะจับเขาว่าอย่างนี้ดีอย่างนี้ไม่ดีลองมองจากตัวของเขาถ้าเราเป็นอย่างเขาเนี่ยบางทีคิดเหมือนกันเปรียบเลยนะทําเหมือนกันเปรียบเลยเได้อย่างนี้นะหายโกรธเลยหลวพ่ อ, อมีอะไระแนะนำในการสอนปกติจิตเหมือนตอนนี้ไหม ปกติช่วงนี้จะโตรธคะกดเอาไว้โกรธอ่ะโกไม่เป็นไรตอนเนี้นจิตมันบังคับอยู่รู้สึกไหมได้บังคับอยู่ไม่เอานะ ถ, ถ้าถ้ารู้ว่าปกติไม่ได้บังคับก็ใช้ได้กลับไปบค่ะุณค่ะการของพ่อจะกลัดีใจมากที่วันนี้ได้มาขับข่อยขั้นที่สองคือ วันนี้ก็จะจเถึนทางว่าจะภาวนาอย่างไรเจ้าค่ะถึงจะได้ถึงไปตัวปัญญาตัววิปปัสนานี่เจ้าค่ะอโอ้ต้องแยกธาตแยกฐาน น, านัน้ชํานาญแม่ชีก็เริ่มแยกแล้วละ่ะรู้สึกไหมกายกับใจมันคนละอันกันรู้สึกไหมอันนี้ยรู้สึกเจ้าค่ะนะอย่ันนี้เรียกว่ามันแยกเป็นแล้วถ้ามันแยกเป็นแล้วต่อไปเราก็มีหน้าที่ดูดูกายมันทํางานดูใจมันทํางาน แล้วปัญญามันจะเกิดเองเลยคคมันจะรู้เลยมันทํางานได้เองแล้วทุกอย่างในกายนี้ไม่เที่ยงทุกอย่างในใจนี้ไม่เที่ยงกายนี้เต็มไปได้วยทุกข์ใจมีแต่ของไม่เที่ยงร่างกายไม่ใช่ตัวเราใจก็บังคับไม่ได้จะดูอย่างนี้ซ้ําๆไปขันเริ่มแยกแล้วละ่ะใช้ได้แล้วละ่ะแล้วต้องต้องต่ออย่างไรเจ้าค่ะจะไปดได้ดูเนือง<ๆ>เนืองอดูบ่อยๆเจ้า ค, ค่ะตอนนี้ใจลอยแล้วรู้สึกไหม รู้สึกเจ้าคเออนี่ใจมันหนีพิคิดแล้วรู้ทันค่ะแล้วก็มกลับมารู้สึกตื่นเต้นดีใจอ่ะไม่ทราบว่าจะถามอะไรหลวงพ่อดีดีมากเจ้าค่ะรู้สึกดีใจมากๆเลยเออดีใจรู้ว่าดีใจใช้ได้แล้วค่ะแล้วก็ต้องไปพานาแบบแบบแยกให้ถูกเหรอเจ้าค่ะมันแยกอยู่แล้วล่ะไม่ต้องแยกอะไรมากนะพ่ออย่างเช่นมีอยู่วันหนึ่งนั่งนั่งเนี่ยเจ้าค่ะแล้วเห็นหน้าตัวเองเนี่ย เขียวแก่ย่นหมดเลยตกใจค่ะจะทํำยังไงตกใจให้รู้ว่าตกใจอ๋อค่ะแค่นั้นเองแค่นั้นเองแล้วยังปุ้งบ่อยๆหรือว่ามีโทสะอะไรเกิดขึ้นเห็นไหมโทสะเกิดได้เองอืมคดูมันทํางานเด็กไม่ได้ไปว่าห้ามมีโทสะนะพระเจ้าก็ไม่ได้บอกว่าห้ามมีโทสะออืบอกพิสูจน์ทั้งหลายจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะดังมั้นโทสะเกิดขึ้นก็รู้เมื่อเกิดได้เอง S <S มาเองไปเองอย่างนี้ในมรดกหลวงพ่อค่ะก็เออจิตเศร้าหมองจิตไม่ทุศัก์จิตเศร้าหมองอสังเกตไหมความเศร้าหมองกับจิตนะควรละอนกันความเศร้าหมองเป็นสิ่งที่จิตไปเห็นเข้าสังเกตไหมจิตไม่เคยเศร้าหมองจิตที่จริงเป็นตัวรู้เท่านั้นเองอไอ้ที่เศร้าหมอง ไ, ไม่ใช่จิตหรอก เป็นสี่งที่แปลกปลอมเข้ามามันเหมือนบ้านเราอยู่ริมน้ําแล้วขยะมันลอยมาติดเท่านี้เดี๋ยวมันก็ไปความเศร้ามองก็ไม่คงที่นะเดี๋ยวมันก็ไปแต่ถ้าอยากให้มันไปเร็วๆจะทุกข์นะจะเห็นว่ามันเศร้ามองแล้วก็ไปโกรธมันอีกเออค่ะนี่ไปโกรธมันก็ช่วงเดือนที่ผ่านมามันมีเรื่องหนักๆเข้ามาในชีวิตก็รู้สึกว่าเห็นภัยของวัตฏะมากขึ้น ทีนี้มันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เดินช่วงที่เดินจงกรมไอ้ความตั้าหมองเนี้ยมันมันเกาะจิตแน่นมากอะค่ะแต่ว่ามันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่จิตมันหลุดออกมาแล้วเห็นเห็นมันมันมันกลายออกมาถ้าเคยเห็นได้ก็สบายแล้วล่ะแต่แปมันก็เห็นง่ายมันไม่ใช่จิตหรอกความตั้าหมองหลุดออกไปได้แต่จิตไปจับเอาไว้เอง แต่ถ้ามันเศร้าหมองแล้วมันครอบจิตแน่นเลยนะไม่หายนะดูเข้าไปตรงๆเลยดูเข้าไปตรงที่ความเศร้าหมองอะมันทนอยู่ไม่ได้หรอกดูมันเข้าไปตรงๆเดี๋ยวมันก็กระเด็นออกไปเองค่ะเหมือนจิตมันไม่มีกําลังเอจิตไม่มีกำลังจิตไม่มีกําลังก็พุโทโธไว้ค่ะใายๆสู้เขาไม่ได้ก็เรียกพ่อเราช่วยโอลพุโทโธแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งคือมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เห็นความคิดของเราดับ แล้วาล้วนะนะตอนนั้นนั่นมันกลัวค่ะอืว่ามันหายไปหมดเลยกลัวให้รู้ว่ากลัว่มันหายไม่หมดใช่ไหมมันเหลือกลัวอ๋อค่ะดูไปอีกค่ะใช่ได้อยู่นะยังผูกอยู่ทํำนะจะ ไ, ได้ไม่ทุกข์มากโลกนี้ทุกข์หรอกคนเผามันก็ว่าโลกโลกนี้สุกนะผู้มีปัญญาเห็นความจริงแล้วโลกนี้ทุกข์มากเต็ไมไปได้ทุกข์มีแต่ความทุกข์ รัดรากจากสิ่งที่รักบ้างเจอสิ่งที่ไม่รักบ้างเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างอย่าประมาานะว่าอายุน้อยคนที่เรียนกับหลวงพ่อนะตายไปเยอะแล้วนะส่วนใหญ่เป็นมะเร็งตายไม่ค่อยมีอุบัติเหตุตายงนั้นเราตายเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ใช่ว่าอายุน้อยแล้วยังไม่ตายโลกนี้มีแต่ความไม่แน่นอนรีบภาวนาสะกก่อนอย่าให้เสียใจทีหลังว่าโถใกล้จะตายแล้วยัง น่าจะภาวนานมาตั้งนานแล้วนะสู้มันกับนมัส ก, การหลวงพ่อนะคะคือ อ, อหนูคราวที่แล้วที่หนูส่งอ่ะคะ่ะคือหลวงพ่อบอกว่าให้หนูไปทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้จิตที่ไหลไปหนูก็ไปทําอะคะ่ะแล้วช่วงแรกมันดีมากแบบว่ารู้อะไรเห็นอะไรได้หลายอย่างแต่พอมีช่วงหนึ่งที่มันเสื่อมลงอะคะ่ะจิตหนูก็เหมือน ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วพอไปฟังเทพหลวงพ่อที่ฟังจากซีดีหลวงพ่อก็บอกว่าความเสื่อมมันจะเหมือนเสื่อมจนทําให้เห็นว่าใจเรามันหมดความลําพองหนูก็เลยเห็นตัวมานะอัตตาของตัวเองตอนนั้นก็เลยพอเห็นเราก็มันก็ดีขึ้นแต่มันก็ยังขึ้นขึ้นลงๆแล้วถูก <c oughs> ต้องอย่างนั้นด้วยนะอ๋อค่ะการภาว น, นาเนี่ยครูบาอาจารย์สอนมามีแต่เจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสืนะ่อม ถ้าเราภานานั้นเจริญลูกเดียวนะกลายเป็นเซลล์จัตพระอีกแต่เนี่ยภนานั้นจะเห็นมันเป็นอนัตตาสังไม่ได้ค่ะแต่มันมีวันหนึ่งที่แบบมันขึ้นลงมากคื อ, อวันหนึ่ง เ, เ, เหมือนเกิดโทสระพอวันต่อมาหนูกเหมือนมีสติแบบอตอนตื่นเห็นว่า อ, อใจแบบว่าตอนตื่น เ, เห็นได้ยินเสียงอะค่ะก่อนแล้วตอนนั้นมันยังไม่ปรุมพอ พอเหมือนสัญญามันไปจําได้ ก, ก็เกิดความไม่พอใจตอนนั้นหนูก็ดีใจว่าเอ้ยยังดีว่าเรายังเห็นแต่ว่าพอพอถัดจากนั้นวันเดียวกันหนูเกิดโทรศัพท์อีกแล้ ว, ลวเราเผอเผยอีกไปผิด ศ, ศีลอีกอย่างเงี้ยค่ะจิตมันเศร้าหมองมากจนแบบเหมือนหนูเห็นจิตมันกรีดอยู่ข้างในว่าแบบร้องไห้ฟูงไปอยู่ข้างในคือหนูหนูเห็นข้างในนะคะคือตัวหนูไม่ได้เป็นแล้วคือเหมือนมันมัน มันไม่พอใจที่เราบังคับมันไม่ได้แล้วตอนนั้นก็โอเคดูไปแต่ว่ามันก็หายไปความรู้สึก น, นั้นหายไปแต่ว่ามันก็ยังขึ้นขึ้นลงลงอยู่หนูก็เลยไม่แน่ใจว่าหนูมีอะไรที่ติดหรือว่าหนูจะไปหวังว่าพอนาแล้วมันจะดีสิพอนาเพื่อให้เห็นความจริงนะว่าทุกอย่างไม่เที่ยงมาแล้วก็ไปทุกอย่างบังคับไม่ได้ เราต้องการให้ใจยอมรับความจริงตรงนี้ถ้า ใ, ใจยอมรับความจริงได้ใจก็จะวางได้แต่ถ้าภาวนานแล้วเอาดีๆแล้วก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆนะมันจะติดอย่างนั้นแล้วหนูมีอะไรที่ต้องแก้ไขปรับปรุงหรือเวลาภาวนานเนี่ยบางครั้งสมาธิมันไม่พอะใจมฟุ้งซ่านมากถ้าแต่เป็นฟุ้งซ่านจนเหน็่เหนื่อยนะไหว้พระสวดมนต์ไปพุโทโธพุโทโธไปพุโทโธเล็ดเล็ไปก็ได้หรือสวดมนต์อะไรสั้นๆสักมนหนึ่งสวดแล้วสวดอีก ทำใจให้สบายหรือแผ่เมตตาไปเรื่อยๆให้ใจมันมีเครื่องอยู่สักอย่างหนึ่งได้พักผ่อนการที่จะเจริญปัญญารวดไปเลยเหนื่อยเกินไปค่ะเออแล้วก็หนูจะขอความเมตตาหลวงพ่อคือพ่อหนูมาด้วยอะค่ะเลยอยากช่วยพ่อแนะนำการปฏิบัติแล้วพ่ออยากให้แนะหรือเปล่าหรือบอกอ๋อคุยแล้วค่ะพ่อก็อยากให้แนะไหนล่ะพ่ออยู่ไหนอยู่ทางนั้นนะคะพ่อ นั่งไปจะให้แน่อะไร อ, ะอ่ะอ๋อก็คือเหมือนพ่อเขาปฏิบัติฟังซีดีมาก็ถูกอยู่อ๋อยังเก็นหน้าว่ากายกับใจมันคนละอันรู้สึกไหมอพอไม่รู้ว่าหลุงพ่อคุยด้วยอ๋อ <c oughs> พ่อเขาหูได้ยินไม่ค่อยดีอะคะอ่ะอ๋อตงนี้หลวงพ่อบอกให้แล้วไปจำไปบอกพ่อน ะ, ะคือว่าตอนาเนี่ยขันมันเริ่มแยกได้อ๋อค่ะ ถ้าขาดมันแยกได้แล้วก็ดูเปลี่ยนกายก็กายใจก็ใจแล้วก็เห็นมันทํางานของมันไม่อยู่ในอนานาจบังคับตัวอย่างเนี้ยชั่วคราวไปหมดเลยดูอย่างนี้บ่อยๆค<อ>่ะต่อไปอคุณค่นะนามาสการค่ะจิตไม่เข้าฐานมาหลายปีค่ะหลวงพ่อแล้วก็ไม่เคยเห็นความอยากว่าอยากให้มันเข้ามันก็ถ้า <c oughs> ไม่ไป เป็นแสงหรือไม่กเป็นเม็ดเม็หรือไม่ก็เพ่งไปเลยอะค่ะเว้นแต่ ว, ว่าเราเรานี้มีกาลยนานมิตรบอกว่าให้เดินเร็วๆเท้ากระทบพื้นวันนั้นมันก็เข้านะคะแล้วทำอีกมันก็ไม่เป็นหรอกค่ะจงใจให้เข้าไม่เข้าหรอกอรต้องค่อยๆกลับมาที่ร่างกายอย่าให้ความรู้สึกเรากจระจายออกจากกายไปให้เข้ามาที่กายก่อนเพราะกายเป็นบ้านของจิต พอเรามาอยู่ที่ร่างกายเนี่ยเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยคอยรู้สึกรู้สึกแต่อย่าเพ่งนะรู้สึกไปสบายๆมันมีวิธีอนหนึ่งที่หลวงพ่อเคยสอนพวกที่จิตไปค้างอยู่ข้างนอกเอาความรู้สึกตัวจับไว้ข้างนอกนะแล้วก็หายใจในเข้ามาความรู้สึกจะจับไว้ที่ลมแล้วก็หายใจเข้ามาหาใจกลับเข้ามาให้มันกลับเข้ามาข้างในเนี่ยเข้ามาแล้วรู้สึกไหมนิดเดีเออนะทํานิดเดียวพออย่าทําบ่อย ถ้าทำบ่อยมเข้ามากไปแน่น ใ, ให้ใจมันกลับเข้ามันอยู่ในบ้านถ้าใจหนีออกไปนอกบ้านปัญญาไม่เกิดหรอกแล้วขวาหนูมันจะฟุ้งแรงนะจะฟุ้งแรงงั้นพยายามรู้สึกอย่างน้อยก็อยู่ในกายเนี้ยหรือไม่ก็ดูกระดูกเข้าไปเลยจงใจพิจารณากระดูกเข้าไปเลยดูกระดูกดูเข้าไปเรื่อยๆที่กระดูกของเรานะไล่ได้แต่กันตก บอกตาเนี่ยดูปูนไล่ๆอยู่ในกระดูกเนี่ยถ้าเราไล่อยู่ในกระดูกมากๆนะจิมจะถอยเข้ามานะต้องช่วยมานิดหนึ่งแล้วก็อีกนิดหนึ่งอะนอกจากดูกระดูกแล้วถ้าเกิดนั่งหายใจเดินเท้ากระทบหรือบริกรรมมีอย่างนั้นทำแล้วโทส์แทรกนะนะครับทำแล้วโทสะมันเข้าดูกระดูกก็เ่าไปนะอะไร อ, อย่างนี้เขาโน้จะดูกระดูกได้ชัดนะ รกรรนรมาส ก, การหลวงพ่อครับก็เมื่อประมาณสองเดือนที่แล้วครับไปส่งการบ้านหลวงพอ่อหลวงพ่อบอกว่าคือเหมือนพอแยกไกลแยกแยกไกลแยกใจได้แล้วแต่ว่าเหมือนทื่อๆอครับทื่อๆแล้วให้กลับไปพิจารณากายครับซึ่งตอนนี้ผมก็คือผมทำพิจารณากายในช่วงแรกๆแล้วตอนหลังเนี้ยผมก็เปลี่ยนมาทำอนัปานาสติเหมือนเดิมครับก็คือคิด อ่าก็คือทําทุกวันเลยไม่มีวันไหนที่หยุดเลยนะครับก็คื อ, ค, อคือตอนเนี้ยรู้สึกว่ากายกับใจมันแยกค่อนข้างจะชัดในทุกๆวันนะครับถูแต่ว่าไม่รู้ว่าช่วงนี้เกิดอ่ามันไม่รู้ว่าเป็นเพราะแบบงานมันเหนื่อยหรืออะไรสักอย่างรู้สึกว่าคือรู้สึกว่ากายกับใจแยกอยู่อะครับแต่ว่าเหมือนใจโดนบีบยังไงเป็นบางครั้งครับบอกไม่ถูกมันแบบไม่เ <ไป S 1> หนืน <ะ S 1> ่อยอเของไม่เที่ยงของเป็นเองไม่ใช่ตัวเรา ไหนๆอะไรจะเกิดขึ้นแล้วก็เดินปัญญามันไปเลยอย่างนี้นนคือก็แสดงใจลักอยู่อ๋ออย่างนี้คือเดินปัญญาหรือยังหรือว่าเร า, เ, ารเราเราเดินปัญญาไปเลยไงแต่ที่เราจะนั่งนั่งตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างนี้เพราะฉั้นใจฟุง้งซ่านเราก็ดูว่าใจมันเป็นได้เองนะมันไม่ใช่เราหรอกอ๋อคือเหมือนว่าผมก็เห็นแต่ว่าผมก็ไม่รู้จะต้องอยังไงบ้างคือความจริงพอเห็นเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นกายอันนึงใจอันนึงแต่รู้สึกว่าใจมันแบบโดนบีบอะครับอ ที่จริงโดยตัวของมันเองนะทุกคราวที่เกิดกิเลสเนี่ยมันถูกบีบคั้นตลอดเลยหรือพลังข้างนอกเข้ามาบีบก็มีนะพวกมารมันแกล้งก็งมีแต่โดยตัวของเราเองเนี่ยตัณหาเนี่ยมันบีบคั้นจิตอยู่ตลอดเวลาหรือถ้าละเอียดเข้าไปเนี่ยความปรุงของจิตก็บีบคั้นจิตมันไหววๆขึ้นมามันก็ทุกข์ทั้งหมดเลยนั้นที่ฝึกอยู่เนี่ยจิตมันเดินปัญญาอยู่นะ คือเหมือนว่าก่อนหน้านี้เหมือนจิต ด, ดูสบายกว่านี้ครับยิ่เงเงาเนอะสบายกว่าแต่แต่เหมือนแยกกายแยกใ จ, ใจได้แต่ว่ า, าสบายสบายครับเรนะาเห็นทุกข์นั่นแหละครับเห็นไหมพอมันทํางานเข้ามันมีแต่ทุกข์นะอย่างถ้าเรารู้ตัวที่หลวงพ่อบอกไงเมื่อก่นรู้ตัวเฉยๆนะรู้กายรู้ใจเฉยสบายอยู่นะไม่ดูใจรักหรอกแต่ตอนเนี้มันเริ่มแสดงใจรักณให้ดูแล้วจิตมันลริ่เด็ดปัญญาจริงๆแล้วนะคือช่วงก่อนหน้าเนี่ยครับก่อนที่จะรู้สึกโดนบีบ มีอยู่แบบคือเกิดความลังเลสงสัยในผลรัตนาไตาขึ้นมามซึ่งคิดว่าแบบตั้งแต่แรกไม่เคยเป็นเลยอะครับมันต้องมีเลยลเพราะว่าปุถุชนจะเป็นะกที่พ้นตัวนี้ได้ต้องเป็นพระโสดาบันเราก็เคยนึกได้ว่าเหมือนหลวงพ่ อ, อเคยบอกว่าเหมือนมีมารแกล้งอะไรประมาณเนี้ยก็แบบพยายามนึกตอนก็หายไปแล้วก็มาเกิดอันเนี้ยต่อไปอ ะ, อ, นนะอะไรเกิดขึ้นนะก็สักว่ารู้ว่าเห็นไปแล้วก็รู้ทันใจของเราที่ไม่เป็นกลางครับ แล้วผมจะต้องทําอะไรต่อไปอะครับทําได้ดีแล้ ว, ลวนี่ทําได้ถูกแล้วนะมันอยู่ที่จะไปให้พอเท่านั้นและให้พอใช่ไหมครับขอบคุณครับอย่าใจร้อนนะครับแล้วาจะอยากทําทให้พอต้องทำไปเรื่อยเยอะๆจะได้พอเร็วๆอย่างนั้นไม่พอเลยอย่างนั้นโลบขอบคุณครับนวัต ก, การครับเ อ, อช่วงหกเดือนที่ผ่านมาเนี่ยครับ เป็นช่วงที่ตั้งใจฟังซีดีหลวงพ่อเป็นประจํานะครับคือปกติเป็นคนที่จะวิ่งเป็นประจํำนะครับก็จะเอาไปฟังตอนที่วิ่งด้วยไม่รู้ว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันมันใช้ได้หรือเปล่าครับแล้วรู้สึกไหมว่าเราเปลี่ยนแปลงรู้สึกว่าเปลี่ยนมากเลยครับในครึ่งปีดีแล้วนะฝึกเปครับก็ไม่เคยส่งกันบ้านมาก่อนนะครับอยากจะให้รบอบครัวหลวงพ่อช่วยตรวจกันบ้างหน่อยครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือพอฟังซีดีไปด้วยมาเทียบกับตัวเองเนี่ยมันก็รู้สึกว่า เราก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้แต่มันมีแต่ความไม่แน่ใจนะครับว่ามันใช่หรือว่าไม่แน่ใจครับรู้ลงปัจจุบันไปเลยไม่แน่ใจรู้ว่าไม่แน่ใจมนสุขก็รู้ทุกก็รู้เป็นอะไรขึ้นมารู้อย่างนั้ น, นแล้วเราก็จะเห็นว่าทุกอย่างชั่วคราวยังไม่แน่ใจก็ไม่แน่ใจชั่วคราวเดี๋ยวก็าหายอยเห็นแล้วออมันจะมีการเกิดไม่แน่ใจตอนนี้มันไหลไปครับเ อ, อถ้าดูออกแล้วก็ใช้ได้แล้วเห็นไหมว่ามันเปิกบานขึ้นมา ครับเนี่ยพอมันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันก็เกิดมันเห็นด้วยว่าคําถามที่จะถามมันลืมไปครับชเชียงสัญญาคืออย่างเงี้ยครับก็คือบางทีมันรู้สึกว่าเออไม่แน่ใจว่าเราเห็นไตรักของมันจริงๆหรือว่าเราเราคิดเอาอ่ะครับตอนเนี้ยให้รู้ว่าไม่แน่ใจครับรู้ลงปัจจุบันไปเลยไม่ต้องใคร่ตรวนถึงอดีตให้ตอนนั้นเป็นภาวะในอดีตไม่รู้หรือไม่รู้เนี้ยปัจจุบันคือรู้ว่ากําลังสงสัยอยู่ ดูลกปัจจุบันใจไม่พลาดครับไม่แน่ใจว่าตัวเองเป็นคนเพ่งไปหรือเปล่าขณะนี้เพง่งรู้สึกไหมก็สงสัยอยู่บ้างครับเริ่มแบบสงสัยเลยเพง่ง <laughs> นะดูตัวนี้ง่ายๆถ้าเมื่อไรเพ่งนะใจจะแน่นๆใจจะมีน้ําหนักขึ้นมาถ้าเพ่งนะใจจะแน่นๆถ้าใจที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บริบาลจะเบา นุ่มนวลอ่อนโยนไม่หนักไม่แน่นไม่แข็งไม่ซึดไม่ตื้อขอบคุณครับกลาวณมาสการหลวงพ่อค่ะรู้สึกว่าเช้านี้จิตจะมาฟังทำนะของพ่อแล้วรู้สึกมีขยันเห็นเกิดดับแต่ว่าขาดดับเดียวกันก็เพ่งอยู่เป็นประจำแค่ดูเพ่งประเดีแล้วละค่ะเมื่อก่อนเราเพ่งลูกเดียวเนี่ยทีนี้ ตอนที่ทํางานนะคะจะจิตก็จะหลงกับงานแต่พอเรารู้ตัวว่าแต่รู้สึกว่ามันถอยห่างออกมาหน่อยนึงเวลาเวลาทํางานนะถ้าเป็นงานที่ใช้ความคิดเนี่ยยังไงก็ต้องจิตไปอยู่กับงานะจะมาเจริญสติจเจริญปัญญาอะไรไม่ได้ทั้งสิน้นมันเป็นเวลาทํางานสติสมาธิปัญญาไปอยู่ที่งานหมดเป็นปกติต้องเป็นอย่างนั้น พอเราเราก็เลยจะเห็นแค่บางครั้งเราขยับตัวอะไรแค่เนี้ค่ะ<ม>แต่ว่า<ม>จะไม่เห็นลักษณะเกิดดับซึ่งป<ม>กติจะเป็นคนดูจิตนะคะห<ม>ลวงพอ่อแล้วพอกลับถึงบ้านเนี่ยมันก็จะแคล้ายๆหมดแรงแล้วกลางคืนไปนั่งสมาธิก็จะเห็นเกิดดับบ้างในบางครั้งค่ะแล้วถ้าบางครั้งมันเพ่งมากๆจะเลิกนั่งเลยะคะ่ะหลวงพทีนี้ระหว่างวันนะคะมันก็ฟุ้งมากในลักษณะที่ว่า เราเมันทํางานมากจนกระทั่งเราไม่มีแรงแล้วมันก็กดจิตตัวเองมันปกติอะคะ่ะก็จะอาศัยปกติจะดูเรามาค่ะหลวงพ่อแต่พอเรารู้สึกต ว, ว่าเราเนี่ยกดจิตเรามากๆเพ่งมากๆจะ<ม>ท่องอา่าท่องสวดมนต์นะคะ ม, มาเอา่อเมตตาอลาหงคุณ<ม>นังเมตตาอลาหงเมตตานะคะแล้วเราจะรู้สึกดีขึ้นบ้าง<ม>อย่างนี้ใช้ได้นะคะใช้ได้มันก็เป็นสมถะ เราก็าใช้วิธีนี้นะการทํางานงานเครียดงานที่ต้องคิดหนักนะเวลาเราเลรคเราไปห้องน้ํำไหนเนี้ยเห็นร่างกายมันเดินไปห้องน้ําไปเข้าห้องน้ําเสร็จตอนที่เดินกลับมาเนี่ยมันสบายใจแล้วก็ดูจิตกลับมาได้แล้วกลางวันกินข้าวยังมีเวลาเหลืออะไรเงี้ก็เดินทาเป็นเดินไปวัดข้างๆที่ทํางานทำจริงเดินจงกรม หนูพยายามทําแบบนั้นเหมือนกันนะคะแต่ว่าหนูจะไม่ค่อยมีสติเออมีสติแต่ว่าจะไม่มีอไม่เห็นเกิดดับนะคะไม่ จ, <ะ S 1> จําเป็นถ้าเหนื่อยขึ้นมาก็ไม่ต้องดูเกิดดับทําสมาธิไปก่อนอ๋อค่ะเสร็จแล้วเวลาที่อย่างต อ, อนที่หนูนั่งสมาธิเนี่ยหนูจะเห็นเกิดดับแล้วถ้าวันไหนเราเพ่งปุ๊บเราหยุดไปเลยแล้วนอนดีกว่าใช่ไหมคะ เอ่าอีกเล็ก น, นึงอะเวลาเหนื่อยมากๆนะหลวงพ่อบาองทีอ่านกระตูนด้วยซ้ําไปมาจิตใจสบายเลยแล้วมาภาวนาต่อง่ายกว่าอีกอแก้เครียดซะก่อนอ่าที่หนูรู้สึกว่าหนูเห็นเกิดดับแต่ว่าหนูไม่มีความรู้สึกว่าจิตมันทราบซึ่งว่าอันนี้มันไม่ใช่เรานะมันเป็นอ น, นิจจังเนีค่ะหนูจะดูแค่ดูอ น, นิจจังก็พอแล้วแต่ละคนดูไม่เหมือนกันนะแค่เห็นอ น, นิจจังก็พอแล้วไม่จำเป็นว่า จิตมันไม่ทราบซิแม่ส่องหลวงพ่อมันแค่เห็น เ, ออเกิดแลมันเห็นแล้วนึกจังมันไม่เอาอนัตตากแค่นั้นก็ได้แล้วละ่ะได้<ต>ใจรักนะเอาอันเดียวไม่ต้องเอาสามอันอหนงรบกวนขอสอบถาม ห, หนูก็เห็งว่าหนูควรจะทําอะไรเพิ่มเติมอย่าดิ้นรนนะไม่ต้องดิ้นแรงนะทําสม่ําเสมอไปค่อยๆดูค่อยๆรู้เรียนรู้ใจเย็นๆอย่ารีบร้อน ตอนนี้หนูยังอยู่ในทางอยู่ใช่ไหมคะให้ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะ mm hmm. กลับนมัสการค่ะครั้งแรกที่สวงค่ะตื่นเต้น mm hmm. ก็คือตอนนี้ทุกวันก็ปฏิบัติอย่างที่หลวงพ่อขอสิบสิบนาทีสิบห้านาทีก็จะไม่ทิ้งนะคะ mm hmm. หรือท่านเหนื่อยก็จะเลื่ขึ้นเอาระหว่างวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ okay, นะก็จะพยายามไม่ทิ้งอย่างที่หลวงพ่อเคยขอไว้ทีนี้ ก็ไม่รู้ว่าคือที่ผ่านมาก็จะมีเรื่องให้รู้สึกว่าตเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องส่วนตัวทําให้รู้สึกว่าผิดเศษแล้วก็จิตใจก็โหดผูกบางทีก็รู้สึกพอโหดผู่ก็พอถึงตอนเย็นที่ต้องทําก็รู้สึกไม่มีแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็วันนี้ก็อยากจะมาขอการบ้านแล้วก็ขอคําแนะนําเพิ่มเติมอะค่ะเวลาไม่มีแรงอย่าตกใจไม่มีแรงรู้ว่าไม่มีแรงไม่จําเป็นต้องมีแรงในขั้นของการเตือนปัญญาอนะรู้เข้าไปตรงๆเลย ตอนนี้ไม่มีแรงตอนนี้มัวรูว่มัวใจไม่ชอบจะอยากมีแรงด้ว่าอยากแค่นี้แหละพอละมันจะมีแรงกลับมาปุ๊บเลยเราที่ปฏิบัติอยู่ก็คือปฏิบัติต่อไปอย่างนั้นใช่ทำไปก็ของนูคันมันก็แยกแล้วนะดูออกก็ก็รู้สึกว่า คิดไม่รู้ว่าตัวเองคิดไปเองไหมแต่ก็จะเห็นว่าบางทีก็จะเห็นมันมันแยกออกไปเป็นท่อนบางทีก็เป็นมือบ้างเป็นเป็นความเป็นตัวอะไรสักตัวหนึ่งซึ่งเอ้ยมันก็เป็นแวบเดียวซึ่งไม่แน่ใจว่าสิ่งที่รู้มันจริเปล่าเวลาปัญญาเกิดละเกิดแวบเดียวบางทีมันหายไปก็ก็จะหายไปแบบแล้วแล้วก็คิดได้ว่าอย่างที่หลวงพ่อบอกว่าอย่าไปอยากอะไรเงี้ยพอแบบอยากให้เห็นอยากเห็นอีกอะไรเงี้ยมันมีจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีความอยากเกิดขึ้น อย่างนี้กคือให้หนูปฏิบัติแบบนี้ต่อไปก็คือมาถูกทางแล้วใช่ไหมคะ ถ, ถูกครัค่ะกลับมาเทศกาลหลวงพ่อครับ อ, อ<ๆ>ก็ฟังซีหลวงพ่อมาประมาณสี่ปีแล้วแต่ว่าครั้งนี้ครั้งแรกที่ได้มาส่งแก่บ้านครับก็ปฏิบัติมาเรื่อยๆแล้วก็มีช่วงเนี้ยได้ปฏิบัติแบบในรูปแบบเยอะนิดนึงครับที่ผ่านมาเนี่ยเคยปฏิบัติแต่ว่าฟังซีดี แล้วตอนที่มีสติรู้สึกกูจะมีแต่อยู่ตอนอยู่ในรถเพราะว่าสิดีอยู่ในรถ <c oughs> แล้วก็แล้วก็อตอนออกมาข้างนอกเนี่ย <c oughs> ก็ถ้าทํางานก็จะหลงไปทั้งวันอืม <c oughs> <c oughs> แต่ว่าก็จะมีสติบ้าง <c oughs> เห็นชัดๆก็คือตอนโกรธครับเ <c oughs> มื่อก่อนเนี่ยแล้วก็พอมาตอนเนี้ย <c oughs> ผมไม่ทราบคิดไปเองหรือเปล่าผมรู้สึกว่าไม่ว่าจะขยับไม่ว่าจะคิดอะไรยังไงเนี่ยมันมันมันรู้มันไม่ได้คิดเองหรอกมันพัฒนาขึ้นมาแล้ว แล้วแล้วก็เอ่อทีนี้ปัญหาของผมเลยครับหลวงพ่อทีนี้พอผมรู้เนี่ยอย่างเช่นสมมุติผมตื่นเต้นตอนที่ผมจะส่งกันบ้านหลวงพ่อครับหนึ่งตื่นเต้นสองก็คืออยากพูดสามก็คือขยับตัวทีนี้มันโผล่ขึ้นมาสามตัวสี่ตัวทีนี้เราจะเอาตัวไหนมันก็ได้ใช่ไหมครับ ม, มันโผล่ทีละตัวถ้า ต, ตัวไหนเด่นไม่เอาตัวนั้นแต่ถ้าบางคราวนะมันมายุบย่ำยุกย่ำเป็นหมดเลยแล้ว ม, มองภาพรวมว่มากําลังฟรุงสัน้น เราไม่ต้องไปไล่จิกทีละตัวดูไม่ทันเอาหนึ่งตัวที่เราคิดว่าตัว ท, ที่เด่นนะแล้วก็เปัญหาของผมอีกอย่างก็คือเวลาเห็นเน่ยผมจะเห็นเกิดแต่ว่าทีเนี้ยผมพยายามจะสังเกต <c oughs> แต่ผมจะไม่เห็นดับเลยไม่เป็นไรต่อไปมันจะเห็นดับมากกว่าดับมั น, <อ>มนจะไปเด่นฮัทใหม่ๆอย่างนี้แหละเพราะว่าสติสมาธิเราไม่พอนะมันหนีไปที่อื่นซะก่อนจะเห็นดับ มันจะเห็นเกิดแล้วก็ซ้อนเกิดขึ้นมาใหม่มันจะไปเห็นตัวใหม่ตัวใหม่เป็นตัวใหม่มันมาหลอกเรานะเราไม่ทันดูตัวนี้ดับมีช่องว่างมาขั้นตัวใหม่เกิดเราดูไม่ทันครับสติเราเกิดช่วงแรกตัวที่เห็นในนั้นเกิดแต่ตอนที่มันเสื่อมลงไปมันดับไม่เห็นนะเราเห็นอีกตัวนึ่งเกิดแล้วควรจะเพิ่มสติไม่ไมันจะเพิ่มเองอ๋อครับนั้นภาวนาเราเจริญปัญญาแยกรูปนามแล้วก็เห็นรูปนามแสดงใจลักษเนี่ย ช่วงแรกๆก็เห็นเนี่ยมาแล้วก็มีอย่างนู้นมาเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะสุดท้ายมันจะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นว้ัยแล้วก็ดับไว้แล้วก็ดับมันเป็นเด่นที่ดับเป็นธรรมชาติเนี่ยแล้วเป็นแค่บางช่วงเท่านั้นนะครับที่จะเห็นเอ่อมันมันดับลงแค่บางเดือนที่ปฏิบัติบางเดือนก็หายไปเลยหลายๆเดือนอยู่บนโลกนะก็ะเป็นอย่างนั้นแหละที่ปฏิบัติมาพอใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ดีด้วยขานมันแยกนะ รู้สึกไหมแฉมี่อาสมาธิก็ดีนะแสมตั้งมัน่นหรือได้นำ้ำมสการหลวงพ่อเจ้าค่ะห้าปีมาแล้วที่ไม่ได้ส่งกันบ้านหลวงพ่อเจ้าค่ะสิเก่าแต่ว่าเป็นสิที่ค่อนข้างดื้อ น, นิดนึง่ะคะคือจะไปสแสวงหาวิธีการ <laughs> อยากได้สมาธิแบบเข้มข้นอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแต่สุดท้ายก็ต้อง รู้ว่าตัวเองคงไปไม่ไหวแบบนั้นจะเคนได้ชาตนะสะสมหลายชาติสะสมมานานทานพบกํามชาติถ้าเราไม่ได้สะสมมาทำยากคือโยงเคยได้ลุงพ่อเคยบอกว่าเข้าอัปปนาสมาธิโดยบังเอิญมครั้งหนึ่งแล้วมันก็เลยคงเกิดกิเลสอยากจะไปฝึกให้ให้ให้ดีอย่างนั้นนะจ๊ะค่ะแต่ก็คิดว่าไม่เอาดีกว่าค่ะคงจะเนิ่นชลานะจะ<า>เสียเวลานา น, าน คนนี้โยมวันนี้รู้สึกว่าจิตจะตั้งมั่นก็แล้วก็แต่ยังไม่ค่อยเป็นกลางเช้าค่ะใช่โยมดูไปสิกายใจมันก็คนละอันดูออกใช่ไหมมันแยกขันนะถ้ามันแยกได้นะก็เห็นเลยร่างกายก็ทํางานของมันไปจิตมันก็ทํางานของมันไปดูมันทํางานไปเราเป็นคนดูสบายๆจะดูถึงเมื่อไหร่ก็ช่างมันมีหน้าที่ดู ก็ตั้งใจไว<พ>้<พ>อย่างนี้นะเวลาภาวนาเนี่ยบูชาพระพุทธเจ้าปฏิบัตินเนี่ยเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าไม่ได้เอาดีไม่ได้จะเอาอะไรแต่ทําเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าวางใจไว้แบบนี้นะมันจะไปได้สบายแต่ถ้าเราภาวนาเพื่อจะเอาเนี่ยเหนื่อยแล้วไม่ได้ด้วยจา้าโยมรู้สึกพักนี้รู้สึกว่าสงสาร คนอื่นที่เขาไม่ไม่ไมทราบวิธีการที่จะปฏิบัติหรือได้เคยฟังซีดีหลวงพ่อหรือว่าได้ฟังหลวงพ่อแล้วไม่ได้นําวิธีที่ที่ถูกต้องของพระพุทธเจ้าผ่านทางหลวงพ่อไปปฏิบัติมันรู้สึกสงสารเข า, า้าไมไสงสาร<ๆ>ก็ได้นะแจกซีให้เขาก็ได้เขาไม่ฟังเราก็เบียดขาคนสมัยพุทธกาลยังไม่ใช่ไปฟังพระพุทธเจ้าทุกคนเลย พวกที่ไปฟังพุทธเจ้าแล้วก็ไม่ได้บรรลุมากผลทุกคนเทวทัตก็ฟังพุทธเจ้านะต้องอุเบกขาหน้าแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเ อ, อเป็นคนที่ค่อนข้างมีวินัยในการปฏิบัติอ่าเจ้าคะแล้วก็รู้สึกว่าวันได้ฟังหลวงพ่อพูดอยู่คํานึงรู้สึกซึ้งใจว่าในแต่ละวันที่เราเสียเวลาไปเราไม่ได้เสียเฉพาะเวลาแต่ว่าเราเสียชีวิตของเราไปด้วย มันซาบซึ้งในคํานี้มากๆาจ้ะคะ่ะต่อไปมีไหมดนี้ยัอนย่านนิดนึงโยมอขอคําแนะนําเพิ่มเติมหลวงพ่อจ้ะค่ะใจเย็นๆนะดูดูไปเรื่อยๆไม่เอาอะไรปฏิบัติบูาชาพาราะเจ้าเท่านั้นเลยไม่ได้ปฏิบัติเอาอะไรนะวางใจอย่างนี้ะนะสบายกราบธรรสกา ร, า ร, การจ้ะคะ่ะกราบธรรสการพ่อค่ะ เก้าเดือนก่อนหนูส่งกันบ้านหลวงพ่อนะคะบอกว่าหนูเห็นความทุกข์ที่หมุนวนอยู่กลางอกอแล้วก็หลวงพ่อบอกว่าระวังจะดูเคร่งเครียดเกินไปจากนั้นหนูก็ปฏิบัติทุกวันในรูปแบบฟังซี ด, ดีแล้วก็สวดมนต์แล้วก็ไหว้พระแล้วก็นั่งสมาธิ10นาทีเดินจงกรมสิบนาทีทุกวันต่อนเนื่องแรกๆจะรู้สึกว่าจิตตัวเองเคร่งเครียด เ, เพราะว่าจิตเราเข้าไปเกาะ อยู่กับสิ่งที่หมุนวนตรงนี้ที่บีบเค้นตลอดเวลาจากนั้นจิตเราก็จะหนีความทุกข์นี้ออกไปข้างนอก<ม>แล้วก็กลับมาวนไปวนมานะมมทีนี้พอปฏิบัติผ่านมาในช่วงสีเดือนหลังสีเดือนหลังเนี่ยสิ่งนี้ที่วนอยู่กลาง อ, อกเนี่ยเราเริ่มรู้สึกว่ามันคนละส่วนกับจิตของตัวเอง อ, อันนี้หนูไม่ได้คิดไปเองใช่ไหม ค, ะค พอจิตอยู่คนละสวนเนี่ยจากนั้นจริงๆแล้วมีความทุกข์มากในชีวิตเข้ามาแต่เราไม่รู้สึกเข้ามาถึงในจิตใจใอันนี้อันนี้หนูไม่ได้หนีทุกข์ใช่ไหมคะไม่ได้หนีเรามไม่ได้จงใจแยกมันเหมือ น, ม, น, ม, นมันอยู่ห่างๆเหมือนกันใช่วามทุกมันอยู่วามทุกั์มันมีอยู่นะแต่มันมาไม่ถึงใจค่ะทีนี้พอปฏิบัติต่ตอเนื่องมาเริ่มรู้สึกว่าตัวเอง มีความบีบคั้นในร่างกายเป็นในใจเป็ น, ในใ er ระยะๆะะตลอดเวลาทั้งวันทีนี้ตรงนี้หนูเอาบันวิหารธรรมได้ไหมคะเพราะ<ด>ว่าพอมันบีบลงไปเนี่ยเราจะรู้สึกตัวขึ้นมาเราก็คลายแล้วก็บีแล้วก็คลาย<ด>แต่ว่าเดี๋ยวนี้เราจะไม่ชอบกับไม่ชอบมันคือเราจะแค่รู้สึกว่าเราผ่อนคลายแต่ว่าถ้าผ่อนคลายแล้วพอใจก็ต้องรู้นะเดี๋ยวไปติดสุขมันมีบางทีมันมีเจือพอใจนะถ้ามันพอใจให้มาให้รู้ทัน เดิเดียวติดทีนี้พอหลังจากนั้นมาอีกเนี่ยมีกัลยะาณมิตรแนะนําว่าอย่างนั้นเดินไหว้พระสวดมนต์แต่เดินจงกรมอย่างเดียวเพราะว่านั่งสมาธิแล้วรู้สึกแช่นะคพอเริ่มเดินจงกรมอย่างเดียวในหนึ่งเดือนมานี้ปรากฏว่าจิตเนี่ยตื่นเดือนนี้คือเวลาหลับนะคะพอพอถึงพอแล้วเนี่ยจิตจะตื่นเหมือนเปิดไฟขึ้นมาใทีนี้ตอนนี้เราจะรู้เรื่องหมดเลยว่าเราฝันอะไรแล้วเราคิดอะไร พ <C> e <ase> อหลังจากนั้นเนี่ยระหว่างวันเนี่ยค่ะความที่รู้สึกตัวเนี่ยมันจะบีบว่าบีบแล้วก็คลายเนี่ยมันจะเห็นความรู้สึกมันไม่ได้เกิดดับอะะแต่มันเป็นความรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยเกิดแล้วหยุดเกิดแล้วหยุดอย่างนี้นี่คือมองเป็นวิปัสสนาแล้วหม<ด>คะมันอยู่ที่ภาษาซะานั่นแหละมเกิดแล้วหยุดมันก็คือเกิดแล้วดับนั่นแหละค่ะถ้าอย่างนั้นขอคําแนะนําค่ะทาถูกแล้วละทาได้ดีแล้วล่ะ ไปดูต่อแต่ถ้าใจพอใจตอนที่คลายให้รู้ทันนะเดี๋ยวติดค่ะแต่ถ้ารู้ทันว่าพอใจเนี่ยจะไม่ติดค่ะก็ปฏิบัติแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะใช่ค่ะขอขอบคุณะคะ่ะใช้ตรงนี้เป็นเครื่องอยู่นะอย่ น, นี้สแสดงว่าเราเจริญอะไรเ ร, เรียกว่าเราเจริญจิตตานุปัสสนาเจริญจิตตานุปัสสนาจริงๆไหมที่มันหมนหุนขึ้นมามันก็คือความฟุ้งของจิต เป็นความฟุ้งขึ้นมาแล้วก็เกิดแล้วก็ดับอยู่แล้วก็ดับไปคือแต่ก่อนจะมีความรู้สึกพอใจแล้วนึกว่าตัวเองเก่งที่ตัวเองเห็นตัวนี้ค่ะแต่พอหลังจากมาตั้งนั้นมาเนี่ยก็จะมีทั้งว่าทุกข์เพราะตัวนี้แต่เดี๋ยวนี้คือห่างกับตัวนี้ค่ะต่อไปจะเห็นว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรนอกจากทุกข์ค่ะมีแต่ความทุกข์อย่างเดียวค่ะตัวอย่างนั้นค่ะพอนามไม่เห็นทุกข์ก็ไม่เห็นธรรมหรอกแต่เห็นทุกข์แต่ไม่รู้สึกว่ามันทุกข์ใช่มันค่ะ ความทุกข์มีอยู่นะแต่ไม่มีเจ้าของใช่ค่ะการกระทํามีอยู่นะก็ไม่มีผู้กระทำขันมีอยู่ก็ไม่มีเจ้าของอีกแต่นี้ยังเห็นเป็นตัวเองอยู่ตลอดเวลาออครับฝึกไปได้ <c oughs> เดี๋ยววันนึ่งเขรู้ไม่มีเจ้าของหรอก <c oughs> ขอบคุณค่ะตอนนาอย่างนี้ถูกใจและเดี๋ยวจะเรียนเชิญให้ทุกท่านนะคะได้กล่าวคําถวายทานโดยได้ตั้งจิตเสมือนกับได้ถวาย <c oughs> ด้วยตัวเอ ง, <c oughs> เองนะคะ <c oughs>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 ตอบสิ้นกาละนานเทินแล้วล่ะนะพอสมควรแก่เวลาและหลวงพ่อไปก่อนนะคงไม่ต้องให้พรนนะมันเป็นพิธีกรรมความดีของเราเป็นพรอนของเราอยู่แล้วละ ว, ว, วันนี้เราก็ได้ทำทานได้ถือศีลได้ฟังธรรมเจริญปัญญาเอาสิ่งที่หลวงพ่อให้ไปเป็นต้นทุน ใส่ความเพียรของเราเข้าไปเราจะได้พ้นทุกข์ขอขอบพระคุณค่ะ